ขอจเจริญพนท่านสาธาชนทุกท่านในเบื้องต้นขอขอตกลงว่าเรื่องพุทธศาสนาที่จะบรรยายวันนี้นั้นคงไม่ใช่เป็น ใ, นในลักษณะที่เหมือนกับว่าเป็นเนื้อหาที่ท่านจะศึกษาด้วยด้วยตนเองเพื่อเพื่อตอนเองแต่เป็นพุทธศาสนาในสายตาของคนนอก คือคนนอกมองพุทธศาสนาอย่างไรและเราจะเสนอพุทธศาสนาต่อคนนอกในฐานะที่เราเป็นเป็นคนไทยเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเนี่ยเหมือนกับเวลาเราไปเห็นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามอ่าถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่าศาสนาเขาเป็นอย่างไรเนี่ยแล้วเราถามคนในศาสนานั้นเนี่ยโดยความคาดหวังของเราเขาควรจะตอบให้เราเข้าใจเรื่องอะไรบ้างอ่าเพราะฉะนั้นประเด็นประเด็นเหล่านี้นี่อาจจะมองในมุมของ คนที่จะเข้าใจพูษาเพื่อไปนำเสนอคับคนอื่นประเด็นที่สองในที่จะกำหนดก็คือว่าเนื่องจากเวลาจำกัดนะหัวข้อที่ที่กำหนดให้เป็นออนไลน์นั้นเยอะต่มาอาจจะพูดได้ไม่ครบเพราะฉะนั้นในประเด็ น, ดนใดวางประเด็นที่ตกหล่นก็เอาไว้ในช่วงคำถามซึ่งประมาณ20นาทีในช่วงท้ายานี่เป็นเรื่องที่ตกลงในเบื้องตน้น ทีนี้เมื่อเราจะนําเสนอพุทธศาสนาอย่างเช่นว่าเราไปต่างประเทศประเทศไทยเป็นประเทศที่นังสือพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่ที่เราจะาในทางประวัติศาสตร์ก็คือว่าในพุทธศาสนาที่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยนานแค่ไหนเพียงไรเวลาเราพูดถึงทางประวัติศาสตร์นี่บางท่านบางคนย้อนไปถึงขนาดว่าพุทธศา ส, สนาเนี่ย เข้ามาสู่สังคมไทยไม่ใช่ประเทศไทยที่ที่ตั้งอยู่ในแหลมทองคนไทยนับถือพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยอยู่ที่าภาคใต้ของประเทศจีนนั่นก็คือเอมือ่อคนไทยก่อนที่โจทย์พยพมาเนี่ยก็นับถือพุทธศาสนาแล้วนั่นเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามั น, มนขาดตอนนะพุทธศาสนาในช่วงนั้นเป็นลักษณะของมหา ย, ยานาก็คือในสมัยอาณาจักรน่านเจ้า เราก็มีพฤษณาอยู่แล้วแต่ส่วนนั้นเนี่ยเ อ, เอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีปัญหาเพราะว่าแม้กระทั่งน่นเจ้าเนี่ยเป็นไทยเท่าไหร่หรือส่วนไหนอย่างไรเนี่ยแต่แน่นอนน่านเจ้าเนี่ยเป็นพุทธแต่สายที่โยงใยอย่างชัดเจนในทางประวัติศาสตร์เนี่ยแม้กระทั่งคําว่าไทยมาจากไหนเนี่ยมีทฤษฎีมากมายหลายอย่างหลายประการเพราะฉะนั้นคงจะไม่โยงไปถึงตรงนั้นเอาเป็นว่าเมื่อมาตั้งกรุงสุขโขทยัย เรามีพุทธศาสนาเรานับถือพุทธศาสนาในเบื้องต้นเลยเมื่อที่ในศิลาจารึ์พ่อคุณรามคำแหงที่ปรากฏก็คือว่าพุทธศาสนานั้นที่เรานับถือนั้นในลักษณะในทางการเมืองก็ว่าได้คือเนื่องจากว่าขอมนับถือศาสนาพราหมณ์เมื่อเราเ อ, อสามารถประกาศอิสรภาพจากขอมมันก็ต้องเริ่มกันใหม่ ศาสนาอะไรที่ที่หนึ่งละที่มีลักษณะความศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้ศาสนาพราหม์แล้วก็เป็นที่นับถือของคนทั่วไปในสมัยนั้นมันก็มีศาสนาที่ในสุขโขทัยที่คนนับถือกันในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตเนี่ยก่อนถึงพ่อขุนรามเนี่ยมันก็จะมีศาสนาพราหม์แล้วก็ศาสนาพุทธซึ่งมีทั้งสองนิกายทั้งมหายานและก็ที่นายาน อหินายานก็คือเถรวาดปัจจุบันของเราเราเราเรียกปกตินั้นเราเรียกาศาศสตพุทธศาสนาของเรานั้นว่ า, าข้างข้างนอกนี่เขาจะเรียกเราว่าหินยานนะแต่ว่าเราจะเรียกเราเองว่าเถรวาดนะทั้งนี้เพราะว่ า, าคําว่ามหาญา่ะนั้น ออกเสียงมหายานะ่นะหมายถึงว่า Great Vehicle Great ก็คือมหาใหญ่ Vehicle ก็คือภาหนะใหญ่เป็นสายพุทธศาสนาในภาคเหนือของทวีปเอเชียก็คือในประเทศญี่ปุ่นจีนทิเบตเกาหลีนี่เป็นมหายานมหายานเป็นนิกายเรียกว่านอ r ทิร์นสกูล o รือ b u d d h i s มมันมีสองสก o ล สกุลหนึ่งก็คือนอร์เทิร์นพา of ์ s อ a เชียได้แก่มหายานที่ออกไปทางภาคเหนือของของอินเดียก็ว่าได้แล้วภาคใต้ของอินเดียลงมาอย่างเช่นไทยลาวาลังกาพม่าแล้วก็เขมรเหล่านี้เป็นหินยานะบุดิสึมเป็นนิกายใหญ่สองนิกายาถ้าเราจะเทียบกับศาสนาอื่นนิกายดั้งเดิมก็คื อ, อนิกายหินยานะ บุดิสึมเหียนียาณนบะุดิซึมเราเป็นเป็นเรื่องที่เรียกกันก่อนๆแต่เราในฝ่ายพุทธศาสนาเทรวาหรือหินียาพวกเราเองเราไม่นิยมใช้ชื่อหินียานะบุดิซึมเรานิยมใช้คําว่าเทรวาเนอะบุดิซึมเพราะฉะนั้นในวงวิชาการหรือในตำรับตำราปัจจุบันนั้นเราจะไม่เรียกถ้าเขียนโดยฝ่ายเราเราจะไม่เรียกว่าหินยานะบุดิสึมเราจะเรียกว่าเทรวาเนอะบุดิซึม ความหมายก็คือในหหนียาานะนั้นะคือนิกายฝ่ายใต้อันนี้เป็นนิกายฝ่ายใต้แล้วชื่อที่เรามักจะเรียกถ้าจะต่อไปจะพรีเซนต์ก็คือว่าเทรวาดะบูดิซึมหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าความแตกต่างระหว่างนิกายฝ่ายเนื้อกับนิกายฝ่ายใต้นั้น อ, อยู่มีมีหลายอย่างอันนี้เป็นเป็นคอนเซปที่ที่แตกต่างกันมากแต่ว่าจะพูดตลัง ขอพูดในเบื้องต้นว่าหนึ่งเราเรียกอันนี้เป็น small นะครับหินานาแปลว่าเล็กนะ small vehicle ก็คือพาชนะเล็กอันนี้พาชนะใหญ่เป็นชื่อที่ฝ่ายเหนือเรียกเราเรียกตัวเองว่าใหญ่เรียกเขาเรียกเราว่าเล็กนิกายเล็กทำไมจึงเรียกอย่างนั้นในคำอธิบายของเขาก็คือว่าเพราะเขาถือนิกายฝ่ายมหา ย, ยานนั้นถือเรื่องพระโพธิสัตว์โพธิสัตว์โพธิสัตว์ตัว คนที่นับถือศาสนานี้จะมุ่งปฏิญญาณตนเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คือผู้ปฏิบัติเพื่อจะตัดสรู้เป็นพุทธเจ้าอาจจะหมายถึงว่า the w o o o d เราเรียกว่า would be Buddha นะคนที่จะเป็นพุทธเจ้าหรือ the aspirant for Buddha w h o o ผู้มุ่งไปไปสู่ความเป็นพุท ธ, ธะเขาจึงถือว่าคนทุกคนนั้น ถ้าปฏิบัติอย่างดีนั้นมีเศษเป็นพ่วยเจ้าได้แล้วก็พอไปมิจฉาแล้วก็จะสอนให้คนจํานวนมากเนี่ยเข้าสู่พระนิพพานเมื่อพุทธเจ้ามีเยอะคนเข้านิพพานมีเยอะก็จึ่งถือว่ า, าศาสนามหายาณนั้นทําให้คนจํานวนมากนี้เข้านิพพานได้มากกว่าของฝ่ายเราก็เหมือนกับเป็นพาหนะใหญ่เป็นพวก ล, ลักษณะแอร์บัสนะของเราก็พวกตุ๊กตุ๊กเนี่ยเนเท <laughs> ียบกันไปทีได้เยอะนะแต่ว่าของเรา เขาบอกว่าของเรานี้มีจุดประสงค์คือของเขาเป็นโพธิสัตว์ของเราเป็นพระอรหันต์ the perf, perfect perfected person คนที่สมบูรณ์เป็นพระอรหันต์ เ, เพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายของเราเนี่ก็คือว่าให้หมดกิเลสนะกิเลสแล้วก็เป็นพระอรหันต์เมื่ อ, เ, อเป็นเช่นนั้นนะเขาก็บอกว่าเนี่ยมันจึงเป็นเหตุนิยามเพราะว่าต้องปฏิบัติก่อน เอาเถิดอันนั้นเป็นเรื่องที่เขาพูดนะแต่ที่เราพูดนั้นจะต่างกันเราไม่ได้อธิบายในลักษณะนั้นอันนั้นคือสิ่งที่เขาพูดอาตมาคงจะไม่ไม่ลงในประเด็นนี้ถ้าเพียงแต่ถ้าสนใจอาจจะถามตอนหลังขอพูดถึงคํานั่นในฝ่ายเขาเพราะฉะนั้นมันจึงมีลักษณะที่เราไม่ใช้คํานี้เราใช้คําว่าเถระวาทะเถระวะดาบุ dhi ุมหมายความว่าวะวะทะหรือวาดาก็คือวาทะ นะวาทะนั่นหมายถึงคำสอน e a c h i n g เ ท, ทระก็คือเ h e t h e เดอร์อ the elder, ค f สอน the the elders ก็คือคำสอนของพระเถระที่กำหนดในการสังยนาครั้งที่หนึ่งหลังจากพุทธชาวนิพพานใน3เดือนก็มีเาเรียกว่าการสังยนาก็คือ Council t h e first Council of Buddhism ในการสังยนาครั้งที่หนึ่งพระเถระ500 รูปในการสะเขนาได้มี Resolution เป็นยติออกมาว่าคือก่อนพระพุทธเจ้าจะนิพพานเนี่ยพุทธเจ้าได้อนุญาตกับพระอานนท์บอกว่าต่อไปในอนาคตถ้ามีคำสอนของพระพุทธเจ้าอันใดที่มันไม่ถูกกับก า, ะาละเทศศัจเราอนุญาตให้เพิกถอนสิกขาบทคือข้อบัญญัติเล็กๆน้อยได้เนย ให้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้พุทธเจ้าอนุญาตไว้คือไม่ใช่ว่าบัญญัติอะไรแล้วเช่นว่าศีลมีห้าข้อหรือสิบข้อจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดต่อไปอาจจะลดอาจจะเพิ่มอะไรก็ได้ถ้าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเสร็จแล้วในที่ประชุมก็ถามท่านพระอานนท์ว่าแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ว่าจะเพิ่มจะเติมจะลดนั้นถามหรือเปล่าว่ามันขนาดไหนเกิดไปลดศีลห้าหรือศีลสี่เนี่ย เอาสามอะไรอย่างนี้จะได้หรือเปล่าหรือสอนศีลสองรอยี่สิบเ็เนี่ยลดสักเหลือสักสองร้อยได้ไหมเอาอะไรเป็นเกณฑ์พระอานุ์บอกลืมถามพระบิดา เ, เจ้าเออพอลืมถามที่ประชุมก็เลยตายแล้วถ้าเกิดเรามีมติผ่านไปว่าให้แก้ไขปรับปรุงได้ศีลอาจจะเพิ่มได้ลดได้ต่อไปรุ่นหลังนี่อาจจะลดกันหมดศีลอาจจะไม่เหลือกี่ข้อพระอาจจะเหลือสักศีลสามข้อสีขอ้ขอทํำยังไงที่ประชุมก็เลยบอกว่า รีสอร์ทิชันเนาะดิเอลเดเนี่ยตรงเนี้ยที่ประชุมก็มีมติออกมาที่เราเรียกว่าเถรวาดะว่าต่อไปนี้ในอนาคตนั้นเนื่อ ง, งจากเราไม่แน่ใจว่าคําสอนจะเพิกจะถอนอย่างไรเราจะไม่ถอนไม่ยกเลิกสิ่งพิชชาติได้บัญญัติไว้จะไม่เพิ่มเติมสิ่งแปลกปลอมที่พระเจ้ชาติไม่บัญญัติไว้สิ่งใดที่บัญญัติเราจะไม่ล้มล้มเลิกจะไม่ถอนสิ่งที่ไม่บัญญัติ และเราจะไม่เพิ่มเติมโดยที่ขัดกับหลักการธรรพุธนาอันนี้เป็นมติที่ทำให้กลุ่มเถรวาทนั้นยึดถือคำสอนพระเจ้าเป็นแม่แบบที่เรียกว่าพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าก่อนจะนิพพานนั้นถือว่าพระองค์ไม่มีไม่ตั้งศาสดาไม่มีทายาทให้แต่รัฐธรมนูญแห่งพุธนาไว้คือพระไตรปิฎกคือคาสอนทั้งหมดเรียกว่าธรรมวินยัย พระองค์ตรัสว่าโดยที่เราร่วงลบไปธรรมวินัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วจักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญของชาวพุทธและไม่เคยมีการฉีกนะต่อเนื่องมาตลอด 2,500 กว่าปีแล้วไม่ตั้งทายาท ด, ด้วยแล้วแต่ใครจะมีความสามารถเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเรียกว่าเทระวาทะก็คือซื่อตรงมั่นคงเราจึงอาจจะถือว่าเป็นคอนเซอร์เวทีฟ เป็นออ t h โธดอกซ์เป็นนิกายดั้งเดิมของพุทธศาสนาไม่เพิ่มไม่ถอนไม่บัญญัติไม่เพิ่มไม่เติมเพราะฉะนั้นสีน์227ข้อเป็นยังไงในลังกาก็จะพุทธพระก็จะ227ข้อโฮมยูอนเหมือนกันสไตล์เดียวกันทั้งลังกาพม่าไทยอะไรต่างๆแต่ถ้าท่านไปดูในฝ่ายเหนือซึ่งเรียกว่าเป็นลักษณะรีบรอนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคือเขาถือว่านุผู้เจ้าอนุญาตแล้วเขาก็อ้างผู้เจ้าอีก เมื่อพระพุทธเจ้าได้อนุญาตให้เพิ่มให้ถอนให้เพิ่มไปเติมเราก็จะปฏิบัติตามข้อใดที่เห็นว่าไม่เหมาะไม่สมและเหมาะใช้ได้เราจะเพิ่มเราจะลดเพราะฉะนั้นท่านจึงอย่าไปแปลกใจถ้าไปเห็นพระในของฝ่ายมหายานที่หน้าหนาวท่านก็จะอาจจะใส่รองเท้าบูทนะอันนี้ก็พระเจ้าอนุญาตนะท่านอ้างตรงนี้ไงเรจะบอกว่าเอ๊ะทำไมทาอย่างนั้นคือเพราะท่าน อเออเทียงกันว่าแล้วอะไรที่เล็กน้อยอะไรที่เพิ่มเติมท่านอาอาจจะใส่รองทาบูทอาจจะจีวรนั้นท่านอาจจะไม่ท่านจะเอาโอเวอร์โคสทําสีเหลืองมีจีวรแบบใหม่ทําให้พระฟราลังกานี่ไปอยู่ที่อเมริกาต้องมีชุดนอกอีก น, นะคลุมเลยสีเรืองเหลือ ง, ลองแล้วก็มาต่อว่าพระไทยแบบโอ้ยทาไมท่านยังเฉยเหลือเกินอยู่ที่นี่มันต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็บอกมหาเถรสมาคมไม่อนุญาตอย่างสมมติเนี่ยเรื่องทอดกระถินเนี่ย เรื่องเรื่องเข้าภาษาเนี่ยเข้าภาษานี่นะปกติหมายถึงอยู่จำภาษาในฤดูฝนเดินทางไม่สะดวกแต่ปรากฏว่าไปอยู่อเมริกาเนี่ยไอ้ที่เดินทางไม่สะดวกคือหน้าหนาวหน้าวินเทอร์ฮิสโนมันลงเขาก็ถามมหาเถรสมาคมว่าขอปรับสักหน่อยจำภาษาในฤดูหนาวได้มะฮิมมะมันลงเนี๋ยมันออกไปไหนไม่ได้ปรากฏว่าท่านมหาเถรสมาคมก็ให้เราจํำราษาในซสมอรหน้าร้อนกําลังเดินทางอากาศดี ควรจะไปเทศหน้านี้กลับไม่ได้ไปเทศไปเทศเอาหน้าหนาวมนุษย์ที่ไหนจะนิมนต์เนะี่ยอย่างนี้เป็นต้นคือถ้าจะว่ากันนะไม่ว่าก็สรุปแล้วเราก็ยังเอาอย่างนี้กันเพราะพราะเราถือว่าเป็นเทราวาตนะอันนี้เพื่อความาเข้าใจพอในที่สุดมหาญาณท่านก็ปรับปรับตัวอย่างของที่เบตเนี่ยนะปรับตัวให้เข้ากับภาพแวดล้อมอหนาวบ้ า, บางร้อนบ้างอะไรต่างๆทั้งหมดเอาเป็นว่าถ้าเราจะบอกกระชาติประเทศก็คือว่า ถ้าอยากจะอยากจะดูพุทธศาสนาดั้งเดิมว่าสองพันห้าร้อยปีที่แล้วพระพุทธเจ้าอยู่อย่างไรพระปฏิบัติกันอย่างไรกรรมฐานเป็นอย่างไรปฏิบัติกันอยู่ในวัดป่าวัดอะไรอย่างไรมาดูที่ประเทศเราและเป็น original teaching of the Buddha original teaching of the Buddha อยู่ในพระไตรปิฎกนั่นเองเออในพระไตรปิฎกนั้นก็จะต้องถือว่า มีความสำคัญเช่นเดียวกับคัมภีร์ไบเบิลในศาสนาคริสต์หรืออันกุรอ่านในศาสนาอิสลามใครที่จะนับถือจะเรียนพุศาสนาจะศึกษาพุศาสนาแม้ขั้งตัวท่านทั้งหลายทั้งเองนั้นเป็นข้อที่น่าสังเกตยอย่างหนึ่งก็คือว่าอัตมาจะพูดเร็วสักนิดหนึ่งนะเพราะเวลาน้อยเหลือเกิ น, นอรตมาควรจะพูดสักสามสี่ชั่วโมง <c oughs> ประท้วงเรื่องเวลา ครั้งที่แล้วก็ประท้วงในในเรื่องของพระใจปิดกนี่นะฮะเป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าชาวศาสนาอื่นศาสนาคริสต์เนี่ยเขาได้อ่านคมัมภีร์ไบเบิลของเขาบ่อยไปอยู่โรงแรมนอนไม่หลับห้างซื้อมานะนะ Bible, อ่านขอไบเบิลนะไบเบิลโดยเฉพาะที่พระเยซูสอนเนี่ยก็คือนิวเทส t a เมนต์คัมภีร์ใหม่เนี่ยอันทัสัญญาใหม่ ไบเบิลที่ที่คพิมพ์เนี่ยมักจะมีส อ, สองสองสองตอนตอนแรกเรียกโอลิเทสตเมนโอลิเทสตเมนนั้นคือพันธสัญญาเดิมได้จากก่อนพระเป็นของศาสนายิวหรือยูดาิซึมที่โมเสตนะตั้งแต่โมเสตมาค้นพบบัญญัติสิบประการมาส่วนนี้พระเยซูไม่ได้สอนครึ่งเล่มเข้าไปแล้วที่พระเยซูสอนจริงๆนะพระเยซูสอนอยู่สามปีเท่านั้น นะอายุสามสิบเริ่มสอนสามสิบสามก็ตรึงโดนตรึงไม้กางเขนพระเยซูสอนอยู่สามปีได้เป็น New Testament เล่มเล็กๆอ่านสองสาคืนจบนะศาสนาศาสนานี่เขาจะอ่านไอ้ตัวคำสอนตังเดิมไปนอนโรงแรมไม่กี่คืนจบนะอ่านไปเรื่อยๆนอนไม่หลับแต่ถ้าท่านจะอ่านพระไตรปิฎกนะเฉพาะเล่มเดียวเล่มแรกนี่นะ เฉพาะเล่มที่หนึ่งเนี่ยเท่ากับพระใจเท่ากับไบเบิลทั้งนิวเทสเตเมนต์กับโอลเทสเตเมนต์แล้วมีสี่สิบห้าเล่ม น, นะพระใจวิดบที่ที่เราสังเขนาสร้างเป็นชุดๆุดมาตู้หนึ่งเนี่ ย, ยกำหนดไว้สี่สิบห้าเล่มถ้าจำ ง, ง่ายๆก็คือสี่สิบห้าเล่ม น, นี่เท่ากับพระพุทธเจ้าสอนอยู่สี่สิบห้าปีสี่สิบห้าพรรษาวิชเจ้าตรัสรู้อายุสามสิบห้านิพพานอายุแปดสิ 80. เอาสามสิบห้าลบแปดสิบเท่ากับสี่สิบห้า 45นี่คือจำนวนพระไตรปิฎก45เล่มถ้าใครจะศึกษาคำว่าไตรปิฎกมีความสำคัญเหมือนกับไบเบิลในช่วงแรกๆเนี่ยมีคนแปลพระคัมภีร์พระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษแต่พิ์แปลบางส่วนเพื่อที่จะให้ชาวคริสต์อ่านเขาเรียกพระไตรปิฎกที่แปลนั้นว่าบุ h ิส t บเบ l e เป็นไบเบิลสำหรับชาวพุทธที่จริงก็คือพระไตรปิฎกนั่นเองตรีปิกะแปลว่า ปีโดกก็คือคัมพีหรือตะกร้า baskets ตระกรก็สาม the three baskets baskets นี่ก็คือ collection นั่นเองมีสาม collection มีสามกลุ่มนะกลุ่มที่หนึ่งก็คื อ, อวินัยปีโดกก็คือ collection of วินัยวินัยแปลว่า discipline discipline ก็คือ the basket หรือ collection of the discipline 8เล่มด้วยกัน แปลเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วนะครับพิมพ์โดยสมาคมบาลีประกรณ์ที่กรุงลอนดอนยังขาดอยู่อภิธรรมวิดกบางเล่มแต่ส่วนใหญ่ถ้าท่านสนใจที่มหามรุกดโลงพิมพ์มหามมกุกนี่สั่งมาจำหน่ายครบทุกเกือบทุกเล่มเลยเป็นภาษาอังกฤษ The Three Baskets The Collection of Discipline ก็คือเรื่องวินยัยศีลของพระภิกษุศีลของภิกษุณี สินแปสินห้าแล้วเรื่องวินัยของสงฆ์เรื่องโอโบสดเรื่องกระถินเรื่องอะไรต่างๆจะอยู่ตรงนี้แปดเล่มแรกเล่มที่หนึ่งถึงเล่มที่แปดนะภาษาไทยก็มีนะท่านสนใจก็อ่านภาษาไทยก็ได้ <c oughs> บางท่านเอาไปจุดธูปกราบเฉยตั้งไว้โอ <c oughs> เอาไปตั้งไว้โกโกดอันที่สองเรียกว่าสุดตันแต่ปิดก สุดท้ายทิดกนี้น่าสนใจนะเพราะว่าบางทีท่านไม่ต้องอ่านอันนี้ก็ได้เพราะเป็นเรื่องของพระเป็นส่วนใหญ่พร้สุดต้ายทพิดกนี้ก็คือเป็นคอลเลคชันหรือเบสเกตออฟดิสคอร์ซิสดิสคอร์ซคือบทสนทนาหรือเซอร์โมนแปลว่าบทเทศเทศนานะเนื้ออเรื่องบทสนทนานี้น่าสนใจมากคาถาธรรมบทอย่างเช่นว่าอัตตาหีอัตนโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตน ึกขาสังคสะสามัคคีความท่องเพียงหมูนําสุขมาให้อะไรอีต่างอยู่ในพระสุดตันจะไปดกโดยเฉพาะในธรรมบทพระแก้วนี่นะพอไปเห็นในภาพฝาผนังเนี่ยถ้าท่านไม่ศึกษาเรื่องพุทธประวัติท่านก็ไม่เข้าใจาท่านถ้าไม่ศึกษาเรื่องรามเกียนติวิระเบียงรอบพระบโบสดเนี่ยท่านก็จะไม่ซึ้งอันนี้คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานออกมาในสิ่งที่มันเป็นรูปธรรม จริงที่ออกมาให้เห็นชัดเอาเป็นว่าผู้ศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานเองวัฒนธรรมไทยส่วนไหนคืออะไรอย่างไรนี่ควรศึกษาเหมือนกันและสะท้อนออกมาในฐานะที่เป็นรูปธรรมคือวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมเพราฉะนั้นเราจึงเห็นว่าทําไมในหลวงจึงสํารวมระวังควบคุมตนเองชนะตนนั่นแลเป็นดีควบคุมตนเองได้ไม่เช่นต่างจนะท่านบุษท่านอะไรต่างเอาละ อันนี้คือมาถึงว่าแล้วคำสอนพุทธศาสนาที่เป็นรากฐานตัว abstract เป็นคำสอนนั้นถ้าสรุปคืออะไรคำสอนที่เป็นหลักๆในทางพุทธศาสนาถ้าชาวชาวต่างชาติต่างศาสนาเขาอยากจะรู้เรื่องพุทธศาสนาเนี่ยเช่นพระเจ้าสอนอะไรสรุปสั้นๆได้ไหมว่าเอามาปฏิบัติในเนี่ย คำพูดเจ้าสอนอะไรเนี่ยขอขอบอกว่ามีสองเราจะพบว่ามีคนตอบหลากหลายแต่คําตอบหลากหลายนั้นจะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งแบบวิชาการตอบนักวิชาการพวกโปรเฟสเซอร์ตอบนักศึกษาอยากจะรู้มาถามสถานทูตว่าผู้สนานั้นมีคําสอนหลักๆว่ายอย่างไรทางวิชาการอันที่สอนตอบคนที่ไม่ได้สนใจทางวิชาการแต่ชอบปฏิบัติ เอาไปใช้ในชีวิตตอบสองอย่างเนี่ยคําทําให้คําสอนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรหรือข้อจากข้อสนานเนี่ยมีคําตอบที่หลากหลายอาตมาจะชี้เห็นว่ามันหลากหลายเพราะอะไรแล้วข้อแรกนะฮะพระเจ้าสอนอะไรนี่อาตมาจะอธิบายต่อแต่เมื่อกี้ได้พูดถึงเบอร์ทรัเซลบอกว่าที่เขาไม่เป็นชาวคริส เพราะเขาไม่เชื่อไม่มีศรัทธาที่เป็นพื้นฐานของชาวคริสต์ถามชาวพุทธบ้างถามแบบคนนอกที่ท่านเป็นชาวพุทธเพราะท่านมีศรัทธาเรื่องอะไรคนไหนท่านนับถือาศาสนาพุทธแต่ไม่มีาศรัทธาในพระาศาสนาไม่ได้แม้จะเรียนเรื่องพระาศาสนาเราไม่เรียกว่าเป็นพุทธศาสนิกเราเรียกว่าเขาเรียนพุทธศาสนาแบบพุทธปรัชญาเป็นคอนเซปต์เป็นฟิโลโซฟีที่ ห่างจากชีวิตศาสนาต้องเป็น way of life นะศาสนาคือวิถีชีวิตวิถีชีวิตที่ออกมาจากศรัทธาความเชื่อออกมาจากการสวดมนต์ออกจากเวลาท่านเกิดยันตายเนี่ยท่านมีพิธีกรรมอะไระเกิดแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ตายเนี่ยท่านมีพิธีกรรมอย่างไรเป็นวิถีชีวิตทั้งหมดมันต้องสะท้อนออกมาในวิถีชีวิตนั้น ถ้าเกิดท่านบอกว่าท่านเป็นชาวพุทธแต่วิถีชีวิตท่านไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้อยู่เลยไม่ได้ถือศีลห้าเวลาทําบุญก็ไม่ทาอะไรก็ไม่ทําตักบาตรก็ไม่ทําสวนมลก็ไม่ท่านไม่ได้เป็นชาวพุทธเพราะท่านไม่ได้มีสิ่งที่เป็น way of life เป็นวิถีชีวิตแต่บางคนยังไม่รู้เรื่องศาสนาพุทธหมดแต่ไม่ได้ทําอย่างนั้นแต่เขารู้หมดสอนศาสนาได้แต่มาไปเห็นโปรเฟสเซอร์ในอินเดียเนี่ยพูดบาลีก็ได้สอนศาสนาก็ได้แต่เป็นคนนับถือศาสนาพราหมณ์ ไม่จะอยู่ที่ความรู้แต่อยู่ที่วิถีชีวิตซึ่งมาจากศรัทธาศรัทธาที่ทำให้ชาวพุทธเป็นชาวพุทธมีอยู่สี่ข้อด้วยกันศรัทธาก็คือ faith faith หรือ belief แลวจะบอกว่าศาสนาพุทธเป็นไม่ใช่ศาสนาแห่งศรัทธาไม่ใช่ศาสนาต้องมีศรัทธาถ้าท่านขาดศรัทธานั้นท่านไม่ใช่ชาวพุทธ ข้อสำคัญที่สุดคือข้อสี่ที่ทำให้พุธทธาศาสนาให้ชาวพุทธเป็นชาวพุทธคือข้อที่สี่ที่เหลือนี่ทำให้ชาวพุทธต่างจากศาสน า, าอื่นและมาจากข้อสามอ้ข้อสี่หนึ่งนึงสามมาจากข้อสอี่อธมาอธิบายข้อสี่ก่อนตาถาคตะภูที่ศรัทธาก็คือบีลีฟหรือ Confidence ศรัทธาก็คือความคิดแนนความเชื่อในโพธิคือปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตคือพระพุทธเจ้าหมายความว่า confidence in the enlightenment enlightenment of the Buddha ศรัทธาใน enlightenment คือพระปัญญาตรัสรู้มาจากกำ enlightenment en, Enlight e n l i g h t e นั่นคือการพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธ ไม่ได้มาจากประกาศสิทธิ์หรือ l e v e l a t i o n หรือวิวอลหรือการเปิดเผยขององค์พระผู้เป็นเจ้าไบเบิลก็ดีของโมเสสก็ตามเจสัสคริสก็ตามพระเยซูมีฐานะเป็นประกาศศกคือโคศกของพระผู้เป็นเจ้าเนื้อหาหรือคอนเทนต์ของไบเบิลเป็นคอนเทนต์เนื้อหาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้า พูดผ่านโคศกหรือเราเรียกว่าประกาศกหรือโปรเฟตโปรเฟตนั้นได้พูดธรรมะของพระผู้เป็นเจ้าออกมาพระผู้เป็นเจ้าได้เปิดเผยคือรีวิวเรเวเลชั่นวิวอนได้เปิดเผยให้เพราะฉะนั้นศาสนาที่มีพระเจ้าจะถือว่าศาสดาเป็นเพียงประกาศกแต่ศาสนาพุทธธรรมะนั้นมีอยู่พระพู้เเจ้าได้ค้นพบ ด้วยพระปัญญาตััสรู้เรียกว่า enlightenment หรือโพธินี่คือข้อที่สำคัญและสิ่งที่พระเจ้าค้นพบด้วยปัญญาตัสรู้นั้นเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้ปฏิบัติสามารถที่ปฏิบัติได้เอฮิปัสโกเชิญให้มาดูโอปนัยิโกน้อมนำมาปฏิบัติสันทิตโกปฏิบัติแล้วจะเห็นด้วยตนเอง ปัจจิตตังเวทิตาโพวินยูหิคนที่ปฏิบัติเห็นแจ้งจะรู้เฉพาะตนนิพพานดับทุกข์ได้จริงหรือไม่ท้าทายคือเอฮิปัสโกนี่คือคำสอนในพุทธศาสนาและส่วนหนึ่งส่วนนี้เองทำให้เกิดลักษณะศรัทธาของชาวพุทธอีก3ามประการประการที่หนึ่งคือกรรมสัทธาเชื่อเรื่องกรรม believe in กร กรรมะคือแอคชั่นการกระทำเขาถือว่าชีวิตของคนเราจะดีจะชั่วจะขึ้นจะลงไม่ใช่เพราะเทวลิขิตหรือโดน เ, เรียกว่าอะไรไม่ใช่เทวลิขิตคือถูกกำหนดมาล่วงหน้าโดยพระผู้เป็นเจ้าไม่มีสิ่งที่เรียกกันว่า p รีด e เทอร์มินิซึม ถ้าท่านไปเจอคนาศาสนาอื่นนี่นะพระผู้เป็นเจ้าได้ทำสิ่งที่เรียกกันว่าปรีดิเทอร์มานิซึมกำหนดโชคชะตาท่านล่วงหน้าเอาไว้กำหนดว่าท่านจะไปเจออย่างไรอะไรอย่างไรและถ้าท่านจะขอเปลี่ยนต้องไปอ้อนวอนพระเจ้าถ้าเกิดท่านทำผิดงนอย่างนี้ ขออ้อนวอนพระเจ้าและพระท่านจะมีความสุขความทุกข์ถูกกำหนดมาแล้วล่วงหน้าแล้วแต่อย่งไรก็ตามศาสนาคริสต์หรือศาสนาอิสลามถือว่าพระเจ้าได้ให้สิ่งที่เรียกกันว่าฟรีวิวเจตจำนงอิสระที่ท่านจะเลือกทำดีทำชั่วแต่ถ้าท่านทำชั่วพระเจ้าลงโทษท่านมีวัน last judgment พิพากษาครั้งสุดท้ายท่านจะดีจะชั่วนั้นจะมี พระผู้เป็นเจ้ามีเทวะของพู้เเจ้ามากำหนดนั่นคือศาสนาที่มีพระผู้เป็นเจ้าเราเรียกว่าเทอิสึมศาสนาเทวนิยมแต่พุทธศาสนาเป็นอเทอิสึมพุทธศาสนาเป็ น, um นเทวน um ิยมโดย เราอาจจะเรียกว่าเป็นฮิวแมนนิซึมเป็นมนุษย์สิญญิยมเพราะถือว่ามนุษย์ยกตนเองขึ้นเป็นผู้ประเสริฐได้ยิ่งกว่าเทวดาซะอีกพระผู้เป็นเจ้านั้นพระพู้ศทธเจ้านั้นพุทธโธหรือพระผูทธเจ้านั้ น, รร เ, น, นเป็นสัตถาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาเป็นครูของทั้งเ ท, งทวดาและมนุษย์เป็นศาสนาที่ยกศักด์ศรีของมนุษย์เราจึงเรียกว่าเป็นฮิวแมนนิซึม ในส่วนทําไมจึงยกศักดิ์ศรกมนุษย์เพราะถือว่าชีวิตของเหล่านั้นจะดีจะช่วยอยู่ที่การกระทําของเรากรรมคือการกระทําทําดีเราก็ได้รับผลดีคือวิบากวิบากแปล ว, ว่าผลเพราะฉะนั้นหนึ่งเชื่อว่าการกระทําของเรานั้นกําหนดชีวิตเรียกว่าบิลีเป็นกรมมอีนักชันสวิปลากระสัทธาคือชื่อว่าที่เราได้ดีได้ดีนะเพราะเป็นผลของกรรกระทํามีวิบากและส่วนที่สกรรมสักตาศรัทธา เชื่อว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเราจะสุขจะทุกข์อย่างไรนั้นไม่ได้มีอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าหรือพระพรหมบันมานเราตั้งหากเป็นคนรับผิดชอบในชีวิต responsibility อยู่ที่เราเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงมีลักษณะเหมือนกับไรพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้มาช่วยให้ท่านบรรลุแต่พระพุทธเจ้าเพียงแต่เป็นผู้ชี้ทาง ตุมเหฮิกิจจังอาตปังอักขาตาโรตถาคตากิจหรือการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นหน้าที่ที่ท่านหลานต้องปฏิบัติอักขาตาโรตถาคตาพระตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกผู้ชี้ทางชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสา ร, รชี้ทางพระนริพานให้พ้นโศกวิโยคภัยชี้ทางอาไปทางนี้แล้วมรุเทศชี้แล้วท่านต้องไปไปนิพพานไปดับทุกข์ อันนี้คือท่านต้องปฏิบัติเองเรียกว่ากรรมสักการะศ ร, รัทธาเชื่อว่าท่านเป็นโอลเนื้อชิพเป็นเจ้าของของการกระทำทำดีท่านก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วมาจากพื้นฐานในข้การตัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นเองอันนี้คือพุทธศาสนาทีนี้เมื่อเราเป็นชาวพุทธเพราะมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วนี่ท่านต้องแสดงออก สแสดงออกโดยสิ่งที่เรียกกันว่า t r i p เ e เจมและตระนไตรทริปเปิลเจมก็คือสิ่งที่เป็นอัญมณีมีคุณค่า3ามประการพารตระตัตและตระนับเลว่าแก้วก็คือเจมไตรก็สามทริปเปิลเจมท่านต้องสแสดงออกท่านเป็นชาวพุทธเนี่ยถ้าเกิดชาวต่างศาสนาถามว่าถ้าอยากจะเป็นชาวพุทธเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้าง ต้องปฏิญญาณตนนับถือพระรัตนตรยัยคือแสดงตนเป็นพุทธมาม ก, กะพุทธมาม ก, กะแปลว่านับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นของข้าพเจ้าการนับถือพระพุทธเจา้าเป็นของข้าพเจ้าไม่ต้องมีอะไรมากไม่ต้องมีวิธีอะไรมากเปล่งวาจาต่อหน้าพระสงฆ์ว่าพระพุทธเจ้าเป็นของเราพระธรรมเป็นของเราพระสงฆ์เป็นของเราด้วยคําว่าพุธทธังสารังคัจฉามิ คัตฉามิก็คือ I take refuge คัตฉามิสะระนังสะระังแปลว่าที่พึ่งคัตฉามิขอถึงพุทธังพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแปลว่า I take refuge ขอถึงเป็นที่ระลึกเป็นที่พึ่งที่ระลึก in the Buddha ขอถึงพพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก I take refuge in the Buddha ขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่รลึก I take refuge in the Dhamma ขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก I take refuge in the Sangha เท่านี้เป็นชาวพุทธแต่ยังแต่ชาวพุทธมีทั้งชาวพุทธที่ดีและก็เลวเป็นอันธพาลก็มีเป็นกาลยาณนะพปุถุชนก็มีชาวพุทธที่เลวชาวพุทธที่ดีต่างกันตรงไหนชาวพุทธที่ดีต้องมีศีลห้า เราก็จะมีคำเวลาเราพุทธังสรณนังกฉามิเสร็จธรรมทุติยมปีเสร็จมันจะมีปานาจิปาตาเวรมนีสินห้าอีกชาวพผูท้ที่ดีต้องมีสินห้าก็มีคำสมาทานสีนห้าเป็นจบพิธีแสดงตนเป็นชาวพุทธเรื่องสินห้าจะพูดทีหลังเอาเป็นว่าพระรัตนตรัยคือเทคเลฟิวชินเดอะบุตดาอินด h ดัม a าอินดาสังคานี่คือปฏิญญาตนเป็นชาวพุทธ เมื่อปฏิ ญ, ญาณตนเป็นชาวพุทธแล้วนะ น, นี่คือลักษณะของชาวพุทธแล้วถามต่อไปว่าแล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไรถ้าจะปฏิบัติลึกซึ้งเป็นชาวคริสต์ก็มี Ten Commandments มีบัญญัติสิบประการเป็นชาวพุทธก็มี5 Precepts มีศีลห้ามีศรัทธาอันนี้ก็ถามว่าแล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไรละ่ะที่ลึกซึ้งออกไปก่อนที่จะไปพระพุทธเจ้าสอนอะไรนั้นขอให้ท่านดูความหมายของรัตนตรยัย The Three b e n s h Three Jewels Three Jewels ก็คือพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานล้วแปลภาษาอังกฤษว่า the enlightened person enlightened one ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดัมมะก็คือ the doctrine the teaching Or The Law กฎระเบียบหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าสังฆะก็คือ the order หรือ community คณะสงฆ์ก็คือคอมมิชชัีหรือดิออร์กลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติตามคำสอนพระุทธเจา้ามีศี22ล227เราจะบอกว่าพระก็คือมีศีล227ข้อนั่นเองนะ <Yeah. S 1> ทั้งหมดนี้คื อ, อ, อในส่วนของชาวพุทธทั่ ว, ว, วไปนะฮะทีนี้เรามาดูพระพุทธเจ้ า, จาสอนอะไรมี คําถามตรงนี้ที่ชาวต่างศาสนาถามตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อศาสนาพุทธเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้และไปส่งพระสาวูไปประกาศศาสนารุ่นแรกหกสิบองค์หกสิบองค์นี้ไปประกาศศาสนาไปเจอคนศาสนาพราหมณ์เอเห็นพระขมยวนไม่เคยไม่เหมือนกับพราหมณ์คนต่างศาสนาก็มาถามว่าท่านนับถือศาสนาอะไรใครเป็นศาสนาของท่านศาสนาของท่านสอนเรื่องอะไร เจอกันมาแล้วท่านที่เจอนั้นก็คือท่านอัสชินะท่านอัสชินั้นอยู่ในหนึ่งปัญจวัคคีย์นะถ้าท่านนึกออกปันท่านอัสชิเนียมีท่านโกนธัญญะว่าป่าพัทยามหานามอัสชิเป็นสาวกรุ่นแรกทร ง, ง, งพระเจ้าเวลาทรงศาสนาส่งแบบส่งภาษาวระการศาสนาส่งเป็นดาวกระจายอย่าให้รวมกันไปในทางเดียวสองรูปแยกกันไปเพราะมีน้อย คำที่ส่งนั้นดีมากผู้เจ้าสั่งว่าส่งว่ า, างี้จระรัฐภิกเเวจาริกังพระผูชนะหิตายะผูชนะสุขายะโลกาอนุกรรมปายะภิกษุทั้งหลายเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของชนเป็นอันมากเพื่อการอนุเคราะห์แก่ชาวโลกศาสนานี้ไปจะเพื่อประโยชน์ด้วยความสุขจะไม่เบียดเบียนใครจะไม่ใช้กําลังเพื่อ convert หรือ c o n v e r s i ่น ดึงคนเข้าศาสนาไปเพื่อสันติไปเพื่อความสุขอันนี้คือนโยบายแห่งพุทธศาสนาเมือ่อเมื่อพระเจ้าทรงไปท่านอาสชิได้ไปพบกับท่านผู้หนึ่งชื่ออุปติสาอุปติสาเป็นนักบวชนอกศาสนาอาสชิไปพบเข้าพระอาสชิกําลังบินทบาทเดินบินทบาทอยู่ในในหมู่บ้านปรากฏว่าท่านอุปติสาเป็นปริภาชก กำลังเบื่อละที่ตัวเองอยากจะหาศาสนาใหม่เมื่อเห็นพระเดินสงบสัมภรนะผมจีวรเดินวินทบาทดูหน้าตาฟ่องใสมีความสุขจังเลยนักบวชท่านนี้ไม่รู้ศาสนาอะไรสะกดลอยตามไปอม่เยเพิ่งไปถามเลยตอนนี้กำลังวินทบาทจนกระทั่งท่า น, านอาสชิออกไปนอกหมู่บ้านไปนั่งฉันข้าวอุปติสาก็ตักน้าเอาไปถวายเพราะท่านฉันเสร็จก็สนทนาธรรมบอกว่าท่าน ดูลักษณะท่านหน้าตาท่านผ่องใสเหลือเกินท่านบวชในศาสนาของใครใครเป็นศาสนาของท่านพระอัสชิกระตอบว่าอาตมาบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าสมณะโคโดมท่านพระองค์เป็นศาสนาของเราเออแล้วศาสนาของท่านสอนว่ายังไงล่ะพระอัสชิดูคนถามแล้วอุปติสสะเป็นนักบวชนอกศาสนานี่ท่าทางฉลาดฉลาดมากนะคนนี้ฉลาด ที่สุดในบรรดาสาวกของพระเจ้านะคนคนนี้เป็นต่อมาได้เป็นอักษาวกเบื้องขวาของพระเจ้าใครนึกออกไหมมีเป็นผู้เลิศในทางปัญญาสารีบุตรนี่แหละชื่อเดิมชื่อปฏิสัตคนนี้ถ้าทางฉลาดหลักแหลมเราจะตอบสุ่ม 4, สีุ่่มห้าไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องออกตัวก่อนนะ ท่านอาจจะออกตัวเหมือนกันนี่ก็ไม่ได้เคยบทเรียนมากนี่ก็รู้นิดๆหน่นนอยๆ น, นะอย่าไปพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เลยรู้จริงเลยนะทำไมพุทธเจ้าสอนอย่างนี้แปลกๆทุกคน <c oughs> <c oughs> บวชได้ไม่นานไม่สา ม, มารถจะอธิบายได้ลึกซึ้งที่พุทเจ้าสอนสมบูรณเพราะท่านสอนลึกซึ้งนี่ <c oughs> ต้องชูอาจารย์ตัวเองไว้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่าแม่อธิบายแค่นี้พุทเจ้าสอนอย่างนี้นจริงไม่ใช่หรอกคนอธิบายตื้นเอง <c oughs> ต้องออกตัวก่อนนะเสร็จแล้วกลายเป็นน้อยอยังไงหมดไม่นานเนี่ยอัตมาจะอธิบายลึกซึ่งไม่ได้ท่านอุปเทศาบอกโอ๊ยท่านอย่าได้พูดยืดยาวไปทำไมลราท่านพูดสันส้นๆหัวใจหัวใจสรุปสรุปผมคิดเองได้น่คุยว่าตัวเองฉลาดว่างั้นเถอะนะเอาสันส้นๆท่านอัชิก็เลยสอนสันส้นๆจริงๆหนึ่งอสองนาทีจบ สองนาทีจบเลยสอนคนนอกศาสนาเพราะพูดเป็นภาษาบาลีสั้นๆสองนาทีปรากฏว่าพอจบปั๊บเ่ยนะท่านอุปติสานิชราจริงๆบรรลุเป็นพระโสดาบันเลยท่านจะลองเอาไปใช้บ้างนะเผื่อคนจะบรรลุ <c oughs> แต่เบื้องต้นท่านลองลองเองก่อนว่าจะบรรลุเปล่า <c oughs> ได้ผลไหมเอาบาลีก่อน เนยเยธรรมาเหตุปภาวเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโ น, โนเอวังก็มีด้วยประการาชนิดมลุเป็นพระโสดาบันใครเกิดมลุ บ, บางอย่างไหมคาถานี้เนี่ยนะท่านช่วงที่ขุดขุดค้นทรากเจดีอะไรต่างที่ทวรารวดีเนี่ยเราพบรูป คนในสมัยนั้นทําเป็นธรรมจักรไม่นิยมทำพรทธรูปแล้วจารึกอันนี้แทนพระธรรมคาถานี้คาถาเยธรร ม, มาเนี่ยแทนพระธรรมเพราะถือว่าได้บรรจุคําสอนของพระเจ้ า, าไว้ในนี้แปลท่านบอกว่าไอ้ที่ไม่บรรลุยังไม่ได้แปลอ้าวแปลแปลว่าอย่างนี้เยธรรมาเหตุปพ a r m a ธรรมะเราใดเกิดจากเหตุ เตสังเหตุงตถาคโตพระตถาคตตรัสเหตแห่งธรร ม, โ ร, โมธรมเหล่านั้นเตสัญจะโยนิโรโทจะและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นเอวังวาทีมหาสมโนพระมหาสมณนะมีปกติสอนอย่างนี้สอนอยู่สามแถวม่รู้ยัง อ, อธิบายอธิบายเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะ ธรรมะเราใดเกิดจากเหตุขอพูดสั้นๆไว้อย่างนี้ว่าพระสารีบุตรนี่นะเป็นพระที่ได้ชื่อว่ามีปัญญามากเพราะได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเทธเรื่องอริยรรสัจสี่ได้ดีเท่ากับพระพุทธเจ้ามีองค์เดียวเท่า น, นั้นคาถานี้คือคาถาอริยรรสัจสี่นั่นเองแลวบังเอิญท่านสารีบุตรนี่ฟังคาถาอริยรรสัจสถูกแนวท่านพอดี เป็นพระโสดา บ, บันแล้วตอนบวชนี่เทศเรื่องนี้ได้ดีกว่าพระทุกรูปเท่าๆกับพระพุทธเจ้าเลยทำไมจึงเป็นอริยสัจสีท่านลองดูอตามาจะแปลงให้ดูทุกนะธรรมก็คือทุกขเราใดเกิดแต่เหตุคือสมุ ท, ทยัยพระสถาคตตรัสเหตุคือสมุทัยแห่งทุกเหล่านั้นและความดับคือนิโรธแห่งทุกเหล่านั้นพระพุทธเจ้ามีบติสอนอย่างนี้อริยสัจสี่นั้นจะมี 4ข้อทุกเหล่าใดเกิดแต่เหตุสมุทยัยนี่คอสใช่ไหมสับฟริงคอสเกิดแต่เหตุพทธเจ้าตรัสเหตุคอสแห่งทุกเหล่านั้นและความดับเซสเ a t i o n t อะ extinction ของทุกเหล่านั้นเพราะพุทธเจ้ามีปฏิสอนอย่างนี้ฟังเทศนาแรกได้แค่3มอริยสัจเป็นระโสดาบันตอนหลังไปฟังครบจากพระเจ้าเป็นพระหรหันต นี่คืออริยสัจสี่นั่นเองคำสอนพระพุทธเจ้า the four noble truths สัจจะคือความจริงที่ประเสริฐสี่ประการที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าตรัสว่าอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ดีเราสอนอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นคือเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์ ทุกข์กับความดับทุกข์ขยายมาเป็นทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเราอาจจะได้ยินเรื่องธรรมกรรมมือเดียวแปดหมืสี่พันพระธรรมขานั้นคือกรรมมือเดียวครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ป่าปะดูลายกับพระห้าร้อยรูปพอถึงป่าปะดูลายพระพุทธเจ้าก็ถามพระทั้งหลายหยิบใบไม้พระพุทธเจ้าหยิบใบไม้ร่วงมาหนึ่งใบหนึ่งกรรมมือแล้วถามพระทั้งหลายว่าพิสุทั้งหลาย ใบไม้ในกำมือของเรากับใบไม้ในป่าอันไหนมากกว่ากันพระกะต็ตอบว่าใบไม้ในกำมือของพระองค์น้อยกว่าใบไม้ในป่ามากกว่าพระเจ้าตรัสว่าข้อนี้ฉันใดพิจิตทั้งหลายที่ว่าใบไม้ในมือของเราน้อยกว่าใบไม้ในป่าฉันใดธรรมะที่เราตัดสรู้เป็นสัพพันญู มากมายมหาศาลดุดใบไม้ในป่าทั้งป่าแต่ที่เรานํามาสอนพวกเธอทั้งหลายพุทธบริษัททั้งสนั้นน้อยนิดประดุดดังใบไม้กํามือเดียวเท่านั้นเราไม่ได้สอนทั้งหมดที่เราตรัสรู้เราสอนเฉพาะส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังที่จะเป็นไปเพื่อเบื่อนายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับทุกข์เพื่อนิพพานเท่านั้นเราเรียกว่าธรรมะกํามือเดียว 45ปีนักพุทธเจ้าสอนอยู่เรื่องเดียวคืออริยสัจสี่ทุกขสมุทัยนิโรธมรรคพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้อริยสัจสี่สอนเรื่องอริยสัจสี่แต่ว่าเวลาสอนนักพุทธเจ้าจะแยกออกไปสอนข้อหนึ่งบางข้อสองบางข้อสามบางข้อสบ้างกระจายออกไปและธรรมะทุกข้ออาตมาบอกได้ว่ารวมอยู่ในอริยสัจสีทั้งหมดเลยถ้าจะสรุปให้ดูก็ได้ มีหลักการสอนอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้านะตรงนี้นะคือไม่ได้สอนทุกเรื่องที่พระพุทธเจ้ารู้สอนเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังหลักของนักพูดอย่าพูดทุกเรื่องที่ท่านอยากพูดพูดเรื่องที่เขาอยากฟัง <c oughs> เพราะฉะนั้นอาตารานึกถึงอะไรคนบางคนนี่ความรู้เยอะจบล็อกเตอร์จ บ, บ, จบแบงค์างพูด โอ้ทฤษฎีเพียบผู้ชนะในประเทศไทยโอ้ไหไล่มานั่งแต่นู่นมสมัยไหนเนะี่ยมหายานอะไรหมดสมมุติอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้เอาประเด็นประเด็นเหมือนกับอะไรเหมือนกับเด็กเนี่ยนะตัวมันเล็กๆเราจะป้อนขําข้าวเราก็เตรียมขําข้าวขนาดพอเหมาะปากพ่ามันอร่อยเนี่กินเรากินอร่อยเพราะฉะนั้นเด็กมันคงจะชอบป้นขําข้าวเท่ากับปากเด็ก ยัดใส่ปากเอากินเอาไหมพอผมบอกไอ้โง่ไม่รู้จะกินของดีๆพกเงอะไงใครง่ไม่รู้หนิโบไลเขาจะบอกว่าถ้าพูดไปเขาไม่รู้อย่าขู่เขาว่าโง่เง้ า, ง, างมเงอะเซร์นักหนาตัวของเราทำไมไม่โกรธาว่าพูดจะให้เขาไม่เข้าใจการนำเสนอเรื่องประเทศไทยเรื่องอะไรต่างๆก็คำนึงถึงเรื่องนี้ เหมาะกับผู้ฟังพื้นฐานอะไรต่างๆด้วยพระเจ้าสอนอย่างนั้นอาตมาพูดกำลังวิธีสอนหลักสั้นๆทุกสมุทัยนิโรธมหกระจายเป็นอะไรทุกนะเวลาที่เราพูดถึงทุกนี่นะอาตมาต้องต้องขอว่าปกติและคำว่า suffering เป็นเพียงความหมายหนึ่งของทุกข์เท่านั้นมาจะาคำว่าทนได้ยากคือลำบากคือทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจ แต่ทุกยังมีความหมายอื่นๆมากมายเราจึงมักจะไม่แปลเป็นภาษาอังกฤษเราแปลเราเรามักจะทับสับวัคคุดค่นะดุขคคานี้อาจจะหมายถึงความไม่สบายความผิดหวัง frustration ย้ำปิดฉังนะละัลภิตมปิดทุกขงังปราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกขะมอยากได้อะไรแล้วไม่ได้เป็น frustration ปีเยหิวิปโยโคทุกข์โหพัดคลากจากคนรักของรักเป็นทุกข์นี่เซปาร์เรชันทำให้เกิดเดสเพลทำให้เกิดดิสโพร์เมนต์เป็นทุกข์อภิเยหิสัมปโยโคทุกข์โหเจอคนไม่รักตามตื้อก็ทุกข์เนี่ยนี่เอาอีกแล้วเอนไซตี้มีความกังวลมีความเบื่อบอ boring ทุกข์ทั้งนั้นสรุปแล้วเรื่องทุกข์นี่นะ เป็นคำหมายถึงว่าเป็นสภาพที่เราไม่ปรารถนา <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าจะแปลนะครับวัดีอาตมาใ ห, <c oughs> ให้ให้คนอื่นเขียนนะ <c oughs> ที่จะแปลนั้นเรามักจะแปลว่า unsatisfact สภาพที่เราไม่พอใจ unsatisfactoriness ไม่เซทิฟายไม่ Satisfactory u n s a เ i s f a c t o r i n e s s เป็นที่ไม่พอใจไม่สบายใจผิดหวังล้มเหลวอยู่ในทุกทางนั้นทนได้ยากลำบากเป็นดุค ข, ข์ชีวิตมันเป็นอย่างนั้นสุขคือทุกน้อยถ้าท่านอยากไม่อยากจะท่านอยากจะสุขที่แท้จริงต้องดับกิเลสให้หมดเป็นพระอรหันต์ ตรงนี้นะขอว่าดุขะคือตรงนี้คือไม่พอใจไม่สบายใจสภาพที่ไม่น่าปรารถนาเป็นทุกข์ทุกข์มาจากไหนมาจากคอ s ์สของดุขะคือตัวคอสคือสาเหตุนั้นมาจากตัณหาดีซนยมีตัณหามากก็ทุกข์มากมีตัณหาน้อยก็ทุกข์น้อย เรียกว่าเราตกเป็นทาตของความอยากไม่มีรีบอเรชั่นเราไม่มีซันวิชั่นไม่มีความหลุดพ้นจากตันหามันจึงความอยากแบ่งเป็นสามส่วนหนึ่งการมาตันหาความอยากสิ่งที่มาบำรุงบำเรอตอนเราเรียกว่า design for pressure ภาพสวยๆข้นมาเสียงที่ไพเราะอาหารอร่อยๆ อ, อ, อะไรต่างๆเนี่ยที่มันพาเราไปทั้งหลายเนี่ยบางทีเราอยากได้มากแล้วเราก็ไม่สามารถจะได้ตามนั้นผิดหวังเนี่ยช่วงตุลานี่หลายคนผิดหวังเนี่ยใช่ไหมเนอต้นฉบับนี้ยังไม่หายเนี่ยบางคนเนี่ยวันนี้ก็หลายคนเออคตอก็ทําให้หลายคนผิดหวังอีกแล้วเห็น <c oughs> <c oughs> ไหมเราอยากได้เนี่ยสมมติอยากจะได้เป็น เออเป็นนั่นเป็นนี่อยากจะได้ตำแหน่งนี้คือคือข้อที่2เพราะว่าตัญหา d e s i น์ for existent จริงก็คือ d e s i น์ to be นะที่จะเป็นอันนี้จะมาแปลจากทางทางวิชากามันก็คือ Design to be ปรารถนาที่จะเป็นเป็นอะไรล่ะเป็นคนเก่งเป็นเป็นนักการสูดเป็นเอ่อซีซีเก้าเป็นผู้พออเป็นนักการทู้เป็นประธานศาลดีกาเป็นอะไรต่างๆเป็นนายก เนี่ยเพราะว่าตัณหาท่านนั้นอยากมีอยากเป็นอยากมีก็เหมือนกันอยากมีเงินเยอะๆอยากก่ํารวยอยากมั่งมั่งทีนี้ถ้าตัณหาเรามันไม่ควบคุมเนี่ยความอยากมันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วว่านัดทีตัณหาสมาณทีแม่ดาใดจะเหมือนกับตัณหาไม่มีทมเท่าไรไม่รู้จักเต็มพอเราไม่ควบคุมตัณหานี่มันก็เบียดเบียนกันมันก็ทุกสังคมทุกเพราะเขไม่ควบคุมตัณหาเราทุกเพราะว่าสนองตัณหาไม่ได้เต็มที่ทางหนึ่งก็คือรู้จักควบคุมตัณหาบ้างไม่ ชาวบ้านนี่อาจจะไม่ถึงขนาดที่เรียกว่าลดตัณหาแต่มันควรจะพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้พอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ทําเราเรียกว่าสันตุฐิสันตุถีปรมาณถนังความรู้จักพอเป็นยอดทรัพย์พอใจเสบ้างความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การ ต้องคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอภาษิตังหลฝรั่งเขาบอกว่าไงนกตัวเดียวในกรมือนะดีวกว่านกสองตัวบนต้นไม้ไม่มีสิ่งที่ตัวชอบก็ต้องชอบสิ่งที่ตัวมีโบวีเขาบอกว่าดับความต้องการง่ายกว่าทำตามความต้องการ พระพุทธเจ้าสอนไว้นั่นคือเนี่ยมันทุกอย่างเนี้ยแล้วดับทุกถ้าท่านถ้าท่านสนใจนะตัณหาทั้งสามนี่อันนี้อยากสิ่งของทั้งหลายอันนี้อยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอยากมีชื่อเสียงส่วนวิภาวะตัณหานี่อยากที่จะทําลายอยากเพราะก็คือเบื่อนั่นเองเบื่อเื่ออยากอไอตัวนี้ตัวอยากนี่ตัวเบื่อเบื่อนี่ไม่ใช่หมดตัณหานะบางคนบอกหมดตัณหาเรียบร้อยไปแล้วเบื่อแล้วเกินเบื่อบ้านใหญ่จะไปบ้านเล็ก นี่เงี้ยเบื่อที่ไหนเนีเบื่องานนี้จะไปงานนี้เบื่อประเทศไทยไปประเทศนอกใช่ไหมคือมันยังมีปัญหาอยู่ดีไซน์ฟอน n อนเอ็กซิเต้คืออยากจะให้สิ่งที่เราได้เราอยู่ที่เบื่อเนี่ยมันหายไปเสกให้หายวับไปกระทาขึ้นอนเอ็กซิเต้นอยากให้มันมีเนียถ้าเสกได้ก็อยากจะให้สิ่งนั้นไม่มีอยู่กับเราไม่พุไม่เป็นของเราเพราะเราไม่อยากจะไปเชิญหน้ากับสิ่งนั้นในที่สุดมันพัฒนาเป็นอยากทําลาย ใช่ไหมทุกคนเนี่ยจะมีปัญหาส่วนนี้กันเท่านั้นเนี่ยแม้แต่คนอยากตายเนี่ก็อยากจะไปเกิดที่นี่อยากจะไปตน่นนี้นี่เอาเถิดทั้งหมดสามส่วนนี่นะไอตัวนี้เนี่ยเป็นสัญชาติญาณในการทําลายที่ที่เราเรียกว่าสัญชาติญาณในการทําลายอันี้สัญชาติญาณในการรักชีวิต preservation เนี่ยอันนี้ destructioninstinct of preservation รักชีวิตทั้งหลายมันมาจากส่วนนี้ instinct of destruction เั่ทนสังเกตไหมท่านก็มีสัญชาตญาณในการทำลายเนี่ยแต่หลายคนเนี่ยพวกไทยมูงทั้งหลายเวลาไฟไหม้เนี่ยวูวทำมมันดับเร็วมาไม่ทันเลยนี่นัไม่ยังไม่สะใจเลยอยู่พวกนี้สนองวิภาวาตัญหาเนเวลาเห็นคนอื่นตกต่ำนี่มันสะใจแล้วกนนเนี่ยพวกนี้เนี่ยพิภวว่ตัญหานี่ยอยากให้คนอื่นมันพินาศล่มจมนี่เช่งนะอ่ามันจะว่าไม่อยากได้ไงท่านก็อยากให้คนอื่นพินาศหเยครับ เห็นประเทศคู่แข่งอะไรพินาตล่มจมเนี enfin ่ยตอนนี้ก็ท่านบุชกับท่านครินตันก็มีวิววิพภวตัญหาต่อกันเนี่ยตัวเองอยากเป็นประธานาธิบดีและเกษให้คนหนึ่งไม่ให้มันเป็นใช่ไหมทุกคนมันก็เป็นอย่างนั้นนะนแข่งขันกันเลื่อนตําแหน่งสองท่านหนึ่งท่านอะไรน่งต่างเนี่โออย่าให้พูดเลยเดี๋ยวก็ไปแช่งคนที่ไม่ให้เราอีกการมาตัญหานี่คือต้องการสิ่งที่บํารุงบําเรตตนเช่นทรัพสมบัติเงินทองสิ่งของทั้งหลาย ล, ลองรู้ที่คนมันแข่งแย่งแข่งขันกันทุกวันนี้ทุกกันทุกวันนี้มีไม่รู้จักพรอไอ่ไม่อยุ่รู้จักหยุดแสวงหาเนี่ยความสุขในครอบครัวไม่มีเนี่ยมันวันวันหนึน่งวกออกไปเนี่ยเพราะสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นรู้จักควบคุมตันหาบ้างการควบคุมนั้นก็คือว่าลดมันด้วยการนิโรธดับบางส่วนเราอาจจะดับต้นเหตุคือตันหาเลยก็ได้หรือดับ ตัวที่เป็นตัณหาเนี่มันมีสองส่วนนะหนึ่งตัวตัวความอยากสองสิ่งที่เราอยากถ้าเราดับความอยากตรงนี้ไม่ได้หรือลดไม่ได้ก็ไปดูว่าไอสิ่งนี้มันไม่น่ามีไม่น่าเป็นนะเป็นแล้วมันกระทุกมากเป็นไปทําไมรู้สิหนอเป็นแล้วรู้ทีแกเร็วตายเร็วเนี่ยเราอย่าไปเป็นเลยเนี่ยเครียดเปลปาๆําแหน่งนี้แลฉันไม่เอาเนี่ยทําเป็นองุ่นเปรี้ยวมะนาวหวานกันได้เ <c oughs> นี่ยก็แต่ว่าไม่ใช่ต้นเหตุมันเป็นวิธีเขาเรียกดิฟเฟนต์มาแคนิซิมใช่ไหม แต่ของพุทธศาสนาไม่อย่างนั้นให้จัดการไอ้ต้นเหตุคือตัณหาเลย salesation of suffering ก็คือดับที่ตัณหาที่เหตุแล้วท่านก็จะลดความทุกข์ลดตัณหาลงได้มากเท่าไรอะไรต่างๆท่านก็แต่ว่าท่านบอกถ้าลดตัณหาแล้วเราจะมีความกระตือรือร้นที่ทำงานได้อย่างไรเราจะมีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าอย่างเช่นท่านอยากเป็นพรุทธเจ้าอย่างเงี้ยความอยากนั้นเป็นตัณหาไหมออความอยากอันนั้นเราเรียกว่า ในพุทธศาสนาเราเรียกว่าฉันทะลนะท่านไม่ต้องกลัวว่าถ้าหมดตัณหาแล้วท่านจะเฉยนะกลัวไม่หมดจริงฉันทะนี่แปลว่าพอใจท่านนึกถึงอิทธิบาทสี่ฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาทางสู่ความสำเร็จคนที่ไม่มีตัณหากับมีฉันตัณหากับมีฉันทะจะต่างกันคนมีตัณหานี่เรียกว่า หาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเรอตนสนองอีโก้อั ต, ตาแต่คนมีฉันทะนั้นอยากได้เหมือนกันแต่ยากอยากได้สิ่งนั้นเพื่อผู้อื่นเพื่อสิ่งอื่นไม่ใช่เพื่อตนฝ่ายเดียวเพื่อสังคมเช่นเราเป็นนักการเมืองที่มีอุดมการ์ดนะกับนักการเมืองที่หวังจะกอบโกยคนแรกนั้นมีตัณหามากคนที่สองนั้นมีฉันทะคือความปรารถนาฝ่ายดี ไฟที่จะทําความดีไฟที่จะทําให้สําเร็จนักวิทยาศาสตร์ที่ไปค้นคว้าวิจัยอะไรต่างๆสําเร็จออกมาเนี่ยไม่อยากได้เงินได้ทอ้องเพื่อตัวเองนะไปเพื่อมวลมนุษยชาติต่อสู้โรคเอดส์สมมุติอย่างนั้นพวกเหล่านี้มีฉันทะและไปสู่ความสําเร็จคืออิทธิบาทเป็นทางสู่ความสําเร็จแต่ก็มีคนหนึ่งเนี่ยทวงเวลาไปสมมุตินะค้นคว้าวิจัยไปกินเงินเดือนเปนวันหนึ่งเนี่ยใครจะตายกีกคนไม่รู้ฉันเนี่ยเหนือกเก๋าวว่ารวยแล้วโจสุดเปิดโปรเจกต์นี่ โรคเอจตายคือคนอาจจะมีบ้างนะเราไม่ได้พูดกับสมมุตินะฮะประเทศแถวไหนก็ไม่รู้อ่ะสมมุติประเทศลาวอ่ะสมมุติเนียเพราะฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันตัณหากับฉันธะมันต่างกันความดับอย่างพุทธเจ้าไปเทศไปสอนทั้งหลายนี่ฉันทะเราก็ดับทุกขนะแต่ลดส่วนที่ตัณหามีฉันธะเพิ่มขึ้นทําความดีเพิ่มขึ้นชืวนมันก็ไปความทุกข์ ดับทุกได้ในระดับหนึ่งเช่นดับความทุกข์เรื่องเศรษฐกิจเรื่องแรงต่างแก้ปัญหาได้และในสุดมัคควิธีคือข้อปฏิบัติด h e พาร์ Path, แปลว่าทาง leading to the cessation of suffering ทางไปสู่ความดับทุกข์คือมัคนั่นคือข้อปฏิบัติทั้งหลายที่พเจ้าสอนถ้าสรุปนะตัวสัตว์จะทำความจริงว่าชวิตไม่เที่ยงเป็นทุกแปนตาทั้งหลายนี่ไตรลักษณ์ทั้งหลายนียยยย่คือข้อที่หนึ่ง ชีวิตที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตานั้นเพราะเรามีตัณหามีกิเลส1 0 5ตัณหา108พวกกิเลสทั้งหลายที่ต้องละอยู่ในข้อที่สองกิเลสที่ไม่ดีที่จะกระจายออกไปเรื่องตัณหามานะทิฏฐิอวิชชาอุปาทานทั้งหลายอยู่ในข้อที่สองนิพพานความดับทุกข์ดับทุกข์เฉพาะชั่วคราวดับด้วยการปฏิบัติธรรมเช่นปฏิบัติกรรมฐานหรือดับทุกข์ถาวร อ, อยู่ในข้อนี้ส่วนมรรคคือศีลสมาธิปัญญามรรคแปด เรื่องความดีเรื่องทานศีลภาวนาที่จะต้องปฏิบัติทั้งหลายอยู่ในข้อนี้เพราะฉะนั้นคําสองทีเจ้าเน้นอยู่สหมวดเท่านั้นเองหลักสูตรการศึกษาทั้งหลายที่ท่านเรียนมามันรวมอยู่ในนี้หมดถ้าเป็นความดีที่จะต้องกระทําเรียกว่ามักเป็นความชั่วที่จะต้องละเรียกว่าสมุทยัยเป็นความจริงเกี่ยวกับชีวิตชีวิตนั้นเกิดมาอย่งไรเรื่องจิตเจสิกรูปนิพพานเป็นยังไงเป็นเรื่องของตรงนี้แล้วจุดมุ่งหมายปลายทางไปสวรรค์ไปนิพพานอยู่ข้อนี้ นี่คือพุสนาพุสนาไม่ใช่เพสิมิซึมอย่างที่ฝรั่งเข้าใจบานพลบอกฝรั่งเนี่ยแม้กระทั่งแม็กซิมกอรกี้บอกพุาสนานั้นน่ได้อิทธิพลจากโชเปนทาวบอกว่าพุทสนานั้นเป็นพวกมองโลกย่างงร้ายเป็นเพสิมิซึมเพราะชีวิตเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์นี่เพราะโอ้เพราะฉะนั้นพุาสนานี่ทุกข์เหลือเกินแบกทุกข์แบกโลกเอาไว้เพราะฉะนั้นไม่เอาแล้วทุกข์มากเกินเพสิมิซึมนี่นะฮะ หมายถึงอะไรเฟสิซิซึมมีสองอย่างหนึ่งพวกมองโลกในแง่ล้ายแบบจริยธรรมจริยศาสตร์กับสองพวกมองในแง่ละมองโลกในแง่ร้าแบบเรื่องสัจธรรมสองส่วนศาสนาทุกศาสนาเป็นพวกมองโลกในแง่ร้ายแบบสัจธรรมเหมือนกันศาสนาพุทธศาสนาคริสต์อิสลามทั้งหลายบอกว่าโลกนี้ไม่สมบูรณ์ถูกไหม ศาสนาพุทธเป็นทุกข์มีปัญหาศาสนาคริสมีบาปแต่กำเนิด o r ริจ n a l sin นชีวิตไม่สมบูรณ์พวกนี้เป็นเป็นการมองโลกในแง่้ายแบบสัจธรรมคือเกิดมาไม่สมบูรณ์แต่จะมีพวกอีกอันหนึ่งคือทุกศาสนาจะเหมือนกันถ้าคนเกิดเป็นเทวเจ้ยยาเป็นเทวดาศาสนาไม่จะเป็นต้องมีถ้าคนไม่มี o r i ิ i ิน l ล i n พระเยซูไม่จำเป็นจะต้องมาเป็นผู้พระุทธพระไทมหาไถ่ ไม่ต้องมีเป็นเป็นเมสัยอะผู้ไทยบาปพระพุทธเจา้าตรัสไว้อย่างนี้ถ้าโลกนี้ไม่มีความทุกข์พระพุทธเจ้าไม่จำเป็นจะต้องอุบัติพระธรรมไม่จําเป็นจะต้องส่องแสงแต่เพราะโลกนี้ยังมีความทุกข์พระพุทธเจ้าจึงอุบัติพระธรรมจึงส่องแสงขั้นอไรัยไม่จําเป็นจะต้องอวตารถ้าโลกนี้มันสมบูรณ์ความไม่สมบูรณ์คือความทุกข์นั่นเองความพร่อง แต่มันจะต่างกันศาสนาจะต่างแก่พวกเพซิมิซึมจริงๆตรงไห น, นตามที่คนเข้าใจทั่วไปตรงไหนเพซิมิซึมนั้นจะเป็นบอกว่าโลกนี้บกพร่องมีปัญหาแล้วแก้ไขไม่ได้งอมืองอเทา้าชาตินี้ไม่มีทางพ้นทุกข์พวกนี้เป็นพวกเพซิมิซึมที่แท้จริงและคนมักจะไปคิดวขึ้นาสนาเป็นอย่างนั้น ศาสนาคริสต์พุทธอิสลามทุกศาสนาเป็นศาสนาที่ว่ามีปัญหาแต่ต้องแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นไม่ใช่พุทธศาสนาหรอกที่พูดถึงปัญหาชีวิตศาสนาเดียวทุกศาสนาหมดและมันก็เป็นความจริงเนี่ยถูถ้าหากว่าชีวิตสมบูรณ์เนี่ยมันจำเป็นต้องมีศาสนาในโลกทุกศาสนาท่านลองดูพุทธศาสนานั้นถือว่าชีวิตเป็นทุกมีเหตุแต่แก้ทุกได้ไหมได้มีนิโรธ ด, ดับปัญหาได้ เพราะฉะนั้นผู้สนานั้นจึงไม่ใช่มองโลกในแง่ร้ายแต่มองโลกในแง่ยังมีความหวังเราเรียกว่ามองโลกตามความเป็นจริงพวกสัจจนิยมผู้สนา น, นไม่ใช่ออพติมิสต์พวกสุทัศนนิยมหรือมองโลกในความในโรดิคีกุลาบมองในแง่ดีอย่างเดียวเพราะผู้สนานั้นถือว่ามันมีทุกข์อยู่แต่ดับทุกข์ได้พวกมองโลกในแง่ดีนี่พวกมองชีวิตโรดิกีกรุกราบอย่างเดียว ซึ่งไม่ใช่เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาไม่ใช่เพสินิซึมเป็นสัจจนิยบิลริซึมเพราะมีอริยสัจสี่ข้อนั่นเองในทางอัตมาได้พูดมาแล้วว่าในทางทฤษฎีนั้นล ง, ล, ลงอยู่ในเรื่องอริยสัจขอดูในทางทฤษฎีต่อไปนิดหนึ่งที่ฝรั่งสนใจคือเรื่องนี้เรื่องชีวิตเป็นไตรลักษณ์ three characteristics ชีวิต ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหลายท่านนะฮะเวลาสอนฝรั่งเนี่ยมักจะเอาเอ า, เอาตรายักษ์นี่เทียบนะแต่เป็นเรื่องลึกซึ้งนะฮะแต่สมาจะพูดเป็นแนวให้ท่านไปศึกษาเพิ่มเติ ม, มบอกชีวิตมันไม่เที่ยงผู้สนาสอนมาอย่างนั้นในทาง อ, อยู่ไอ้ข้อนี้คือคือยิ่สัตยข้อที่หนึ่งนะฮะคือตรายักษ์คือคือตรายักษ์นี่เป็นยิ่งสัตยข้อห น, นึ่งคือมันเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วเราอยากจะให้มันเที่ยงมันก็เลยทุกข์ มันทนอยู่ไม่ได้เราอยากจะให้มันมีความสุขเราก็เลยทุบมันไม่มีแก่นสารเราอยากให้มีแก่นสารเราอยากเราอยากเป็นอมะตะเราไม่อยากตายยง่ายๆข้อ น, นี้เราก็เลยเป็นทุกข์ทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจเรื่องทั้งสามตามความเป็นจริงเมื่อใดเราเข้าใจเรื่องทั้งสามตามความเป็นจริงเมื่อนั้นเราไม่ทุกข์เรียกว่าเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ที่ปฏิบัติวิปัสสนานั้นคือรู้เห็นไตรลักษณ์ตามความเป็นจริงไม่ใช่เรียนแบบทฤษฎี พระอรหันต์ผู้ผลนทุกนั้นคือมองโลกตามความเป็นจริงมองโลกตามความเป็นจริงก็คือยะถาภูตยานนณทัทสนะรู้เห็นตามความเป็นจริง t o see things t o see things as the r e a l a r เห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็น มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ตำแหน่งได้มาแล้วก็เปลี่ยนไปสิ่ ง, งต่างๆมาเป็นทุกแปลนิจจังแต่อนิจังในพุทธนานั้นเนี่ยนะะเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ถ้าเราเห็นแล้วซึ้งเนี่ยเราจะอยู่กับโลกอย่างไม่ขวางโลกแต่ที่เราขวางโลกเพราะเราไปยึดไปติดมีอุปาทาน attachment เราไปยึดไปติด ให้สิ่งนั้นต้องเป็นของเราต้องเป็นเราตลอดต้องเด่นต้องดังตลอดผลคืออย่างไรผลคือเราขวางโลกพุทธท่าท่านบอกว่าจิตไม่ว่างจิตไม่ว่างคือไปยึดไปติดไปถือเป็นตัวกูเป็นของกูเป็นมีแอนไม์ถ้าเราเห็นอองต่างๆตามที่มันเป็นคือหนึ่งอนิจจงมีอะไรบ้างที่คงที่แม้แต่ร่างกายเราไม่คงที่เลย อรพิธามเขบอกสิ่งต่างนี้เปลี่ยนแปลงทุกขณะนั่นนี่นะจิตเราเกิดดับสิบเจ็ดขณะเท่ากับรูปนี้เกิดดับหนึ่งขณะอรพิธามว่าท่านเชื่อหรือไม่จิตเกิดดับไวมากอันนี้เปลี่ยนแปลงทุกขณะนี้ไม่ต้องไม่ไม่เถียงละเรารู้กันเราคิดเรื่องนั้นท่านมองไมโครโฟนมองเรื่องจอเรื่องแะนต่างมันคิดมันโดดเป็นกระแสเหมือนเกิดดับเป็นกระแสเป็นสเตรมบ์คอนชเชสเนสเป็นวิ ญ, ญญาณนัสโตั เกิดเป็นความคิดเป็นกระแสเอาละเมื่อเกิดเป็นกระแสมันก็เปลี่ยนแปลงอย่าว่าแต่จิตเราเปลี่ยนแปลงในร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงถ้าเราดูที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ร่างกายของท่านเนี่ยมีเซลล์เท่าไหร่เมื่อท่านเกิดมาเป็นสัตว์เป็นสัตว์กี่เซลล์แรกเกิดจากอตอนที่มานานตั้งครรเป็นเอมบริโอเป็นตัวอ่อนกี่เซลล์ ผสมปฏิสนธิเป็นเป็นแต่เป็นสองเป็นสี่เป็น 8, 2, 4, 8, 16, แปดเป็นสิบหกแล้วปัจจุบันท่านมีกี่เซลล์หนึ่งร้อยล้านล้านเซลล์ตัวท่านเนี่ยมันเหมือนกับเซลล์คือเม็ดแมงลักเนี่ยนะเอาไปใส่แก้วมันก็พองพองพเต็มเลยตัวท่านคือเซลล์ต่างๆเซลล์แต่และเซลล์เป็นอนุชีวิตท่านเคยถามเคยถามตัวเองไหมว่าเซลล์ที่มันเกิดดับในร่างกายของท่านเนี่ยหนึ่งนาทีมันเกิดดับกี่เซลล์สามรอยล้านเซลล์ นีแล้วมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ท่านเห็นเป็นคนเดิมที่จริงเป็นคนใหม่ตลอดเวลาอา่าและส่วนนี้ลหละส่วนนี้ท่านบอกว่ามันคงที่ไหมท่านดูอันนี้จัง impermanence change changeable คือเปลี่ยนแปลงทุกขณะ nothing nothing remain the same for the two consecutive moments ไม่มีสิ่งใดที่เป็นสิ่งเดียวกันช่วงระยะที่ติดติดกันสองครั้งอันนี้คือ impermanent ทุกขาตาไอตัวนี้ไม่ไม่ใช่ suffering อย่างเดียวนะอันอันนี้คำว่าทุกขาตานี่หมายถึงว่าหมายถึงเป็น subject มันเป็น subject to change แปลว่าทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันต้องเปลี่ยนสิ่ ง, งต่างมัน subject to change หมายความว่าเหมือนกับเวลาที่ท่านที่เราบอกว่าไมโครโฟนที่มันเป็นทุกข์ไม่ใช่ไมโครโฟนมัน suffer นะไอตัวนี้นี่บังเอิญไม่ไม่ถูกเท่าไหร่มันเป็นความหมายหนึ่งเท่านั้นทุกขะไม่ต้องแปร หมายถึงว่าทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เวลาที่ท่านโยนก้อนดินขึ้นมา บ, บนท้องฟ้าเนี่ยมาเป็นทุกตรงไหนมันค้างฟ้าอยู่ได้ไม่ได้มันต้องตกลงมาเวลาที่ท่านเป็นเด็กเนี่ยท่านเป็นเด็กตอลอดเวลาไม่ได้ทานอาหารเข้ไปท่านต้องโตต้องพองขึ้นเรียกว่าท่านเป็นทุกพอทุกแล้วเปลี่ยนนั่นคืออ น, นิจจ์ทุกคือทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้โดนอุณหภูมิโดนแดดสีมันก็เปลี่ยนนั่นคือมันเป็นทุกขชีวิตเราก็ต้องเปลี่ยนต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคือเป็นทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้นี่คือความหมายของทุก ทุกคือทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ทําไมยิ่งนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เพราะตัวมันเองไม่มีเพอร์มานェนต์เอนทิตี้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าซับสเตนสิ่งที่เป็นแก่นสารเป็นสาระที่มั่นคงที่จะบอกว่ามันอยู่คงที่ท่านลองดูไหมที่บอกว่ามันไม่เปลี่ยนจริงหรือไม่ลองลองดูไมโครโฟนอันนี้ก็ตามท่านลองแบ่งย่อยไปที่มันคืออะไรมันมีสิ่งที่เป็นแก่นที่คงที่เป็นเพอร์มานェนต์เอ็นทิตี้เป็นซับสเตนหรือเปล่าเล็กที่สุดคืออะไรคืออะตอม อะตอมเป็นภาษาเกรกแปล ว, ว่าอันคัตเทเบิลคือแบ่งไม่ได้นั่นคือภาษาเมื่อพันกว่าปีมาแล้วสองพันปีมาแล้วแต่เดี๋ยวนี้อะตอมคัตเทเบิลแบ่งได้ซอยได้เป็นอะไรเป็นนิวเคลียสเป็นนิวตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนเป็นประจุไฟฟ้าทิ้งบนต่อกันทฤษฎีควอนตัมบอกเราไว้ทฤษฎีควอนตัมพูดกับเทียบกับทฤษฎีสัมพัสเป็นอะไรท่านดู คอนซัมเทอรีบอกว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นแค่ประจุพลังไฟฟ้าฟิสิกส์ทั้งหลายลดสิ่งต่างๆเป็นประจุพลังไฟฟ้าหมดเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งสิ้นและเมื่อแม่เหล็กไฟฟ้ามันเกาะกลุ่มกันมันก็เป็นเทหาเป็นแมตเตอร์เป็นสาสารแต่ตัวมันเองไม่มีแก่นมันเป็นอนัตตาและอนัตตาเหล่านี้มารวมกันเข้านะ เ, าเพราะฉะนั้นรีเลติวิตติสตีสัมพัสของไอสไต์บอกว่ายังไง อินเออร์จ E เท่ากับ mc กําลังสองทฤษฎีสัมพันธ์ก็คือ ENERGY หรือพลังงานนั้นเท่ากับมวลสารที่เคลื่อนที่ไวกว่าสยแสงสองเท่าถ้าท่านเอาไมโครโฟนหรืออะไรก็ตามเคลื่อนที่ให้เร็วกว่าแสงสองเท่ามันจะเป็นพลังงานหมดเพราะฉะนั้นพลังงานก็คือสสารสสารก็คือพลังงานพลังงานนั้นคือควอนตัมคือทฤษฎีอันนี้ทั้งหมดนี้ควอนตัมเทรีก็คืออนาตา ควันต uh, ั้มทฤษฎีสัมพัย์สไต์ก็คือปฏิจจสมุ ป, ปบาทสมุ ป, ปบาทดีแผ n นเด่นออริเจนแนชัท่านพาหิยะนี่เดินทางทั้งวันทั้งคืนได้รับยกย่องจากพระเจ้ า, าตัตสรู้เร็วที่สุดพระเจ้าเทศให้สั้นที่สุดไปเจอพระเจ้าอยู่ในตลาดไปกราบกราบบอกว่านี่เดินทางมาไกลทั้งทั้งคืนไม่ได้นอนแล้วขฟังเทศหพระเจ้าบอก้ยีนี่กลมิตบาลให้โยมจะใส่บาตร้จะมา เทศไละกลางตลา ด, ดลนี่หนูนะขอเทีนขอฟังหน่อยผู้เจ้าห้ามสามครั้งภัยยากก็ขอทั้งสามครั้งในสุดห้ามสามครั้งแล้วยังดื้อขออีกละทนายโดยครั้งที่สี่บอกว่าพระองค์ผู้เจริญพระองค์สอนว่าอะไรแล้วมันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมคือเรื่องไม่เที่ยงนี่ขอแทรกตรงนี้นะสิ่งต่างๆมันไม่เที่ยงจริงแต่ท่านอย่าไปปล่อยตามบุญตามกรรมพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ท่านปล่อยบุญบุญกรรมท่านอย่าประมาทถ้าท่านดีอยู่แล้วท่านอาจจะเสื่อมได้ แต่ถ้าท่านเสื่อมอยู่แล้วจนอยู่แล้วท่านมีกำลังใจทาเขา้าท่านจะรวยได้สุขได้สุขก็ทุกได้ทุกก็สุขได้ควบคุมตัวแปรให้ดีคนเรานี่ไม่ชอบอนิจจังบางอย่างชอบบางอย่างมีคำกลอนบอกว่าถึงยามมีมันก็มี ม, มีเหลือลน้นแล้วกลับจนมันก็จนจนนักหนา อ, อนิจจังดังนี้ไม่ดีนาะต้องขอลา อ, อนิจจังดังนี้แลชอบแบบไหนชอบตรงกันข้าม ถึงยามจนมันก็จ น, จนจนเต็มที่แล้วกลับมีมันก็มีมีมมมมนักหนาอันนี้จังดังนี้ดีนักนาไม่ขอลาอันนี้จังดังนี้เลยถ้าได้ประโยชน์แล้วเอาท่านก็ควบคุมตัวแปรให้มันอันนี้จังที่ดีสิใช่ไหมเอาแล้วทีนี้พูดถึงอท่านพาหยะบอกว่าอะไรอะไรมันก็ไม่เที่ยงนะคนเราเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยไม่คนเทศหรือคนฟังอาจจะตายก่อนเลยก็ได้นะขอให้พระองค์เทศกันแล้วกันพระเจ้าก็เลยเทศกลางตลาดสั้นๆ เทศจบกันนี้เป็นพระอรหันต์เลยถ้าลองฟังดูนะเผื่อจะบรรลุท่านเทศว่าอย่างนี้ยะโตโขภาหิยะทิฏเถทิฏธรรมะมัตังภพิสติสุเตสุตตะมัตตังภพิสติวิญญาเตวิญญาตะมัตังภพิสติจบแล้ว <c oughs> ยังเฉยอยู่ <c oughs> เอาแปลแปรดูก่อนภาหิยะเมื่อใด เห็นให้สักแต่ว่าเห็นได้ยินให้สักแต่ว่าได้ยินทราบให้สักแต่ว่าทราบเมื่อใดเธอทําได้อย่างนี้เมื่อนั้นเธอก็จักไม่มีทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าเกือบอย่างอเที่ยวเมื่อใดเห็นให้สักแต่ว่าเห็นได้ยินให้สักแต่ว่าได้ยินทราบให้สักแต่ว่าทราบนี่คือเคล็ดลับต้องสําคัญมากไม่งั้นไม่บรรลุทํำไมเห็นให้สักแต่ว่าเห็น พอท่านเห็นท่านสักแต่ว่าเห็นไหมมันเป็นปร ม, มัดไหมไม่ใช่หรอกท่านมองเป็นสมมุติหมดสมมุติคือไมโครโฟนแต่ถ้าพัสหันมองเขาจะมองไปอะไรสักแต่ว่าเห็นคือภาพเฉยๆคาว่าไมโครโฟนมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอยู่ในสมองท่านท่านปรุงแต่งใสว่ว่าไมโครโฟนขโมดมาเห็นบอกโอ้โอสงใส่ขายได้หลายบาทเนีคนทะเลาะกาันทุ่มหัวซะด้วยไมโครโฟนนี่ท่านปรุงแต่งตลอดเวลาเพิ่ม พอเห็นคนกับคนนี้น่ารักน่าชังคนนี้คนไทยมีคติมีแรไรต่างเพิ่มเข้าไปไม่ได้เห็นแล้วหยุดอยู่ที่ที่เห็นท่านปรุงแต่งเป็นตัวกูของกูองกชอบไม่ชอบชังไม่ชังแต่พระอรหันต์ท่านเห็นแล้วจะเท่ากันหมดมองโลกโดยความเป็นของว่างจากการบัญญัติปรุงแต่งเห็นแค่ไหนรู้แค่นั้นไม่ใช่เห็นเขาทำปากก ข, ขาบุกเขามบด่าเรารู้เปล่าเนี่ยเห็นไหมท่านไม่หยุดแลก็หาเรื่องเอาอีกนะ วันไหนท่านเห็นแต่ท่า น, นเห็นมันก็หมดเรื่องกันไหมใครด่าบ้างด่าก็สักแต่ว่าดา่าได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินทำหูทลนลมไปมันสบายขึ้นเยอะแล้วเราด่าเขาก็เราสักแต่ว่าดา่าด่าแล้วสบายใจแล้วอย่าไปคิดเสียใจทําไมด่าเขาจนได้ต <c oughs> ร ง, งด้อยมั้งเรนนบางคนนี่เขาด่าเขาว่าอะไรนี่อ่ไม่ไม่โกรธไม่อะไรอันนี้ก็หมายว่าอยู่ที่การมองมองโลกให้เป็น เราเรียกว่าโยนิโสมณัสิการนั่นเองถ้าพระรักันนี้ถ้าจะไม่ปรุงแต่งแต่ถ้าชาวบ้านนี่มองโลกให้เป็นโยนิโสแปลว่าถูกต้องมณัสิการแปลว่าทําใจให้เป็นมองให้ส่วนที่ดีมองส่วนที่เป็นความจรงิงความดีความงามสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่าไปคิดให้มันทุกคิดให้มันสุขคิดมันเป็นประโยชน์เจอคนดีกับคนเลวเดินสวนทางมาเนี่ยทั้งสองคนเป็นครูเราได้เท่าๆกันถ้าเรามีโยนิโสมณัสิการเห็นคนดีเดินสวนทางมา ก็พยายามเอาอย่างเขาเห็นคนชั่วเดินสวนทางมาก็พยายามไม่เอาอย่างเขานี่คือโยนิสโสมนสิการเห็นคนเก่งนะก็ศึกษาจากเขานะเห็นคนโง่เขาก็เตือนใจเราเองนี่รูไ้ไหมก็อันเดียวกันนั่นเองสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นคนตมอีคนตาแหลมคมเห็นดวงดาวอยู่พลาวพลายไปอยู่ประเทศไหนที่ไหนมองส่วนดีแง่ดีของประเทศนั้นศึกษาจากที่นั้นมา เป็นโยนิโสมนัสิการศึกษาส่วนดีของเขาเพิ่มตูมเพิ่มเติมให้กับเราแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นคือมองโลกในความเป็นของว่างเป็นพระอรหันเลยแต่เราเน้นมองให้เป็นกุศลอย่ามองเป็นอกุศลสมมุติว่าเรื่องเดียวกันท่านมองให้ดีก็ได้ไฮไลายก็ได้คิดแล้วแต่ท่านจะคิดนะถึงว่าท่านเดินเป็นท้องถนนนั้นเด็กคนหนึ่งมันกลุ่มหนึ่งปลาอะไรใส่หน้าท่านเลือดไหลโสมท่านเอามือปิดหน้าไปหาหมอที่ใกล้ที่สุดมีโยนิโสมนสิการมองแง่ดีเข้าไว เป็กุศลเขาไว้พอไปพอ้อมพอไปถึงคลินิกหมอก็เปิดมือรอเขาบอกโอ้โหคิ้วแตกเลยเนะี่ยคุณไปทําอะไรไมาเราบอกแทนที่เราจะโกรธเด็กเราบอกโชคดีนะหมอที่บาดเจ็บเล็กน้อยตาไม่บอดเฮงจริงจริงๆวันนี้นียหรือทําใจใหม่ไปถึงคลินิกเปิดมือมาหมอบอกโอ้ดวงกระจังมาเลิศเลยตาบอดเราบอกโชคดีนะหมอที่บอดข้างเดียวยังเหลืออีกข้างหนึ่งเนะี่ยเอเห็นไหม เรื่องเดียวกันเนี่ยมันคิดแต่ท่านจะคิดน่โลกเป็นอย่างไรไม่สำคัญข้อสำคัญท่านไปรับรู้มันอย่างไรจะสุขจะทุกข์การรับรู้โลกนั้นท่านทำด้วยสมาธินั่นเองนะโลกนั้นก็คื อ, อ, อสมาธิโดยกรรมฐานถ้าท่านมองโลกกรรมฐานนี่เขาเรียกว่ามีสองอย่างนะ n c e n t r a t i o n Meditation แปล ว, ว่าทำใจให้สงบเรียกว่าคอนเซนเทรต แต่วิธีมองโลกเรียกว่า i ินไซต์เมดิเทชันอินไซคือมองด้านในเห็นสัจญธรรมความจริงของชีวิตแล้วท่านจะมองโลกตามที่เป็นคือตัวที่2องนี่พุทเจา้าตรัสรู้วันที่สอง น, นีอันที่หนึ่งมีทุกสาสนะคอนเซนเทรตแล้วก็คิดเรื่องเดียวสมมุติว่าท่านถ้าท่านอยากใช้ใจสงบมีความสุขทําข้อที่หนึ่งถ้าท่านอยากตรัสรู้อยากจะเป็นคนมองโลกด้วยสติปัญญาทําข้อสองต่างกันอย่างไรคงจะไม่พูดตรงนี้นะขอให้ท่านไปศึกษ า, อ, อ, ยาอย่างคิดเรื่องเดียวเนี่ยหลวงพ่อเทียนสอนอย่างนี้ ยกมือขึ้นวางลงแค่นี้คิดเรื่องเดียวอย่าคิดหลายเรื่องคอนเซนเทรตเรียกว่าสมาธิสมาธิก็คือคอนเซนเทรชั่นอินไซต์แปลว่าวิปัสสนาหรือปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาตัวนี้เป็นสมาธิคิดเรื่องเดียวนะห้ามคิดเรื่องอื่นนะหรือหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรคิดอยู่เรื่องเดียว เ, เขาเรียกว่า คอนเซนเทรตคอนเซนเทรชันหรือ one point one point n e s s of mind การที่จิต one point direct to a, a single object of consciousness for a continuous uh, for a continuous period of time 5้านาทีสิบนาทีคอน e ซนเทรตอย่าไป w a ฟเวอริงนะเวฟเวอริงหมามันกระจายฟุ้งซ่านไป Concentrate อยู่กับเรื่องเดียวเรื่องนี้ หรือลมหายใจเข้าออกถ้านลองทำทําไม่ได้หรอกเพราะอะไรเท่านไม่เคยทํานะอย่างท่านนั่งฟังเนี่ยถ้าท่านวางฟังมีสมาธินี่ยท่านจะฟังเสียงข้อตำมาอยู่เรื่องเดียวต่อนเนื่องและท่านจะเข้าใจแต่ถ้าท่านคิดเรื่องอื่นใจลอยบ้างอะไรบ้างท่านไม่มีสมาธิในการฟังสมาธิคือตามอยู่เรื่องเดียวฟังอยู่เรื่องเดียวคิดอยู่เรื่องเดียวจนกว่าจะจบเรื่องนั้นห้านาทีแต่บางคนทําไม่ได้ลองทําแล้วเป็นไงเฮ เส้นเลยมือเรามันขาดนะมันิ่นได้เก็บเงินมาอยู่เนะี่ยมันจนเอหวยงวดนี้มันจะออกอะไรนะเพ่งใหญ่เลยเห็นไหมท่านคิดกี่เรื่องทําไม่ได้ไม่ฝึกเวลาที่ท่านอยากจะให้มีความจําดีนะทําสมาธิคือไม่ต้องไปนั่งกรรมฐ า, านหลับตาที่วัด น, นะทายาทัญญธรรมศัสตรน์นี่ท่านทําอยู่ที่บ้านห้านะทีสิบนา ท, นาทีท่านอายุยนะืนนท่านให้สัมภาษณ์ในรู้สึกกรุงเทพดนเดนิชั่นกรุงเทพธุรกิจอะไรหายใจเข้าออกสงบห้านาทีสิบนาที สงบหายใจเข้าพูดหายใจออกให้กำหนดอยู่ลงหายใจนี่นะไม่ต้องไปคิดที่อื่นเลยนะแล้วหายใจสบายๆเบาท่านทำห้านาทีหรือสิบนาทีเท่ากับหลับสองชั่วโมงถ้าท่านไม่เชื่อเป็นสันทิโิโกพิสูจน์ด้วยตัวเองท่านไปอ่านตำาราฝรั่งทั้งหมดที่สอนเรื่องวิธีชนะสตรสคือความเครียดจะบอกเมดิเทชันทั้งนั้นเลยดีที่สุด Meditation คือกรรมาฐานน้ำจะมีสองส่วนที่ชนะสเตรชคือตรงนี้กำกหนดลมหายใจเขาออกความเครียด Concentrate ส่วน i ินไซน์นี่ตัดสรู้ในอเมริกาเดี๋ยวนี้เขาคิดเรื่องวิปัสนา m e d i t a t i o ชคือสอนให้มีสติตัวนี้จะเน้นเรื่องสติสติไปนะเพราะฉะนั้นหนึ่งนะลองลองฝึกดู หรือจะสอนมีหนังสือง่ายๆกับปัญหาง่ายๆนี่มีเยอะไม่ไม่เป็นเรื่องอยากอะไรแค่กำหนดรวมให้ใจเข้าออกอะไรต่างๆเนี่ยทามันก็จะทำให้สรุปตัวนี้คือมัคนั่นเองที่พูดมาเนะี่ยมัคนั้นก็คือศีลสมาธิปัญญามัคมีองค์แปดศีล morality สมาธิคือ concentration วิปัสสนาก็คือ wisdom การปฏิบัติเพื่อให้พรนทุกข์เครียดเรียกว่าคอนเซนเทรตอยากจะบรรลุมองโลกในความเป็นของว่างอย่างท่านพาหิยะเป็นวิปัสนาศีลสมาธิปัญญาศีลของชาวบ้านนั้นมีห้าข้อนะออก็คือปานาติบาห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์นะภาษาอังกฤษก็คือ เ, ออเออวลาเราบอกว่า ปานอาทิปาตาเวรมะนีสิขาประทังสมาธิยามิสมาธิยามิแปลว่าสมาทานสมาทานก็คือ Undertake ท I, I undertake to observe the precepts of uh, abstaining from killing คำว่าอย่างนี้5 precepts เอาตรงนี้ก่อนเนาะเพื่อเพื่อใครจะเขียนข้อนี้อังยาไม่ได้ ศีลห้าที่ว่าชาวพุทธต้องมีพื้นฐานเนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญาวิถีชีวิตของชาวพุทธศีลห้าก็คือ5ฟเขียนผิดเนี่ยต้องปตัว R ตัว P R และก็อ e. นะอันนี้ P R E p r e ิ e ส็ปไฟพ e ิ t สศีลห้าปธิบาตคือเอ t a i n from from killing าัต์อธินาทาน to abstain คืองดเว้นนะฮะ from ก็คือ not to kill not to steal ปไปง่ายง่อันนี้แปลว่างดเว้นเท่านั้นเอง not to kill not to steal uh, not to commit sexual misconduct การเปสุมิสชาจาร์ not to tell uh, lies หรือ not to, to abstain from false speech To abstain from intoxicants ทั้งหมดห้าอยา่าง ตอนนี้ให้เวลาถามปัญหานะลูกเร็วยังมีเวลาไม่อะไรตอบเกินไปหน่อยก็ได้มัาสัก5นาที10นาทีเพราะว่าเข้าช้า5นาทีเกินไป5นาทีพอดีกันคอมเพนเซ็ตมีคำถามอะไรบ้างเดิผมถามื่อนเจ้าเรื่การจับบาตรเพื่อนผ่อร แต่เมื่อตอนเช้านี้ผมไม่ตากบาทจึงทำเป็นปกติอยู่แต่ตอนเช้านี่ทําให้ผมเกิดสงวนว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งนะฮะในในบาทท่านมีแ บ, 100, แบ่งร้อยแบ่งสิบทั้งนั้นแต่ทีวิตเป็นเป็นข้าวสารอันนี้ผมจะกลับมีมันกลับเรียนถามท่านว่าชาวพุทธ น, นั้นปฏิบัติถูกหรือไม่ที่เอาเงินใส่บาทพระครับแล้วก็พระที่รับนั้น ถูกหรือไม่นครับเรื่องเรื่องเงินเนี่ยนะจะมีวินัยของพระอยู่ข้อหนึ่งก็คือเรื่องไม่ให้รับเงินและทองนะซึ่งข้อนี้เนี่ยในในในสมัยปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าถ้าเราจะพูดในเรื่องของเถราวาดเนี่ยมันไม่ถูกนะแต่ว่าเป็นประเพณีปฏิบัติซึ่งมันเหมือนกับเถราวาดเราก็มีอยู่บางข้อที่เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงนะในในส่วนนี้เนี่ยเรื่องของการคือในในตัวของวินัยเนี่ยเขาห้ามรับเงินและทองเราไปตีความว่ารับคือจับอันนี้เขาเรียกว่า t ิน p r e t เ t i o n ตีความตุลาการรัฐธรรมนูญของพระบอกว่ารับคือจับเออย่างรับประเคนใช่ไหมท่านรับประเคนเราก็จับ อยนี้ไม่ได้เอเพราะฉะนั้นท่านบอกเอาใส่บาทได้ เ, เป็นเช็คก็ดีเพราะฉะนั้นก็เห็นถวายเช็คถวายเลยรเขาสั่งอะไรก็รับเช็คแล้วแล้วอาตมาถามมาเช็คมันกระดาษแล้วเงินมันก็กระดาษแล้วมันจะไปต่างกันตรงไหนใช่ไหมฮะตรงนี้นี่อจะไปพูดมากเลยกระเทือนหลายๆคนเอาเป็นว่าแล้วถวายปจัจจัยสีแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน เ, เรื่องเรื่องใส่บาตรนี่เพียงแต่ท่านไม่รับไม่จับอะไรต่างให้มันประเจ็ดประเจิดก็พอหนุ่มเพราะาสมัยนี้การเดินทางาอะไรต่งตางๆมันก็เป็นเป็นเรื่องจําเป็ น, เ, ปน <S <S เอา อ, อย่าว่าแต่ใส่บาตอย่างนี้เลยนะครับเรื่องเรื่องใสยบาตเนี่ยของใส่บาตรขอให้มันเป็นของที่ที่ใช้ได้แล้วก็อย่าว่าแต่เป็นข้าวสารอย่างนี้เลยนะต่อมาเคยไปที่อินเดียพระหลวงพ่อจ๋าคนน่าจังหวัดไปบิณฑบาตแขกใส่บาตรแทนที่ จะใส่ข้าวสวยนะเขาเอาเอาข้าวสารมาใส่เอาเอาเอาหอมกระเทียมเอาแห้งๆเนี่ยมาใส่หมดพอใส่เสร็จแล้วพระเดินไปสวยแกนึกได้ขึ้นมาก็วิ่งกลับไปในบ้านไปเอาฟืนมาใส่บาดด้วยคงนึกว่าพระจะขุนข้าวยังไงเอาฟืนแถมมาอีกนะฮ <c oughs> นะเรามาตอบสั้นกันเลยคันเพราะเผื่อท่านอื่นจะได้ถามมีท่านอืน่นอ่ะขอ การเรียนถามท่านพระกุณเจ้านะครับก็คือว่าถ้าเราไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยจะจะได้รับคําถามซึ่งค่อนข้างจะบ่อยนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะตอบอยังไงถึงจะเหมาะสมที่สุดส่วนแม่คนทั่วไปก็จะเน้นที่การประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์นะครับว่าประพฤติไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นธรรมดาอย่างที่ท่านได้อธิบายแล้วว่ามันมันก็มีบ้างนะแต่ว่าเราจะตอบอยังไงจึงจะ รักษาเอาไว้ด้วยศรัทธาแล้วก็ชื่อเสียงของประเทศของเรานะครับคงคงต้อง ถ, อถามคําถามว่าประพฤติไม่เหมาะสมคืออะไรนะฮะถ้าเราจะตอบได้เราจะต้องรู้ว่าวิเนยของสงฆ์ที่ถูกต้องที่ที่ที่เป็นนั้นเป็นอย่างไรแต่สมมุติถ้าเรารู้เราเห็นชัดๆเนี่ยในในลักษณะหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของเราเจะ เมื่อเมื่อพระท่านทำไม่ถูกต้องอะไรต่างๆเนี่ยในส่วนเราเองก็คงจะต้องแจ้งนะแจ้งผู้ปกครองก็คือเจ้าวาดของวัดนั้นตอนนี้เวลาที่จะตอบนั้นก็คงจะพูดถึงว่านี่มันเป็นเรื่องของของ individual เรื่องสงนั้นเป็นเรื่องของหมู่เป็นเรื่องของออเดอร์เมื่อเป็นเรื่องของหมู่คณะเนี่ยเมือ่อเมื่อมีมีคนบางคนที่ไม่ถูกต้องบางส่วนเนี่ยถ้านะถ้าเป็นเรื่องผิดที่ไม่หลายแรง บางเรื่องบางอย่างสมมุติว่าบางครั้งเนี่ยทำไม ย, ยังต้องพูดกันตรงๆว่าบางครั้งเนี่ยมีมีพระขับรถท่านไปไปบางแห่งเนี่ยพอท่านลงจากสนามบินเนี่ยท่านอาจารย์สุม์อมอนิวัฒเนี่ยไปสอนเด็กที่อเมริกาเนี่ยให้พระมารับที่สนามบินรออยู่ชั่วโมงหนึ่งไม่มีใครมาตอนหลังลุงพี่ขับมารับเองตกใจเอาก็จริงๆแล้วถามว่า <c oughs> ผิดไหม ปรากฏว่าผิดหรือไม่ผิดนี่มันไม่เหมาะสมนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ัญญัติเพราะสมัยนั้นยังไม่มีเมซิเดสไม่มีอะไรแต่มหาเทสมคมได้มีคำสั่งห้ามห้ามอยู่แต่ถามว่าแล้วแล้วควรหรือไม่ควรมันก็ไม่ควรแต่พอไปถึงเกิดความจาเป็นขึ้นมาเนี่ยอาตมายังเห็นเลยแม้กระทั่งมหาเทสมาคมยังพูดไม่ออกเลยกรรมการไปในที่สุดต้อง หลวงพ่อครับไม่มีใครมารับหลวงพ่ออยู่สนาม บ, บินสักสามชั่วโมงได้ไหมครับมีแต่ผมอยู่วันเนี่ยหรือจะให้ผมขับรถไปรับท่านมาก็ได้มาก็ได้ <c oughs> าชาวเขาจริงเนะไม่งั้นมันหนาวจะตายชีวันแค่แค่นี้มันส่วนบางเรื่องที่มันไม่เหมือนเนี่ยอธิบายให้คนไทยเข้าใจเนี่ยบางครั้งมันเป็นเรื่องของจําเป็นแต่เราเปลี่ยนวินัยไม่ได้เพราะวินัยมันสากลถ้าเปลี่ยนให้อเมริกาที่หนึ่งเดี๋ยวประเทศไทยเอาบ้าง ตรงนี้ก็ถิ่นเปลี่ยนในนู่นที่หนึ่งที่หนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นบางเรื่องบางอย่างถ้ามันเป็นเรื่องของความการปฏิบัติในลนนักษณะนี้บางทีก็ต้องคุยกับท่านหน่อยไปถามเราถามให้ท่านเข้าใจถามหลวงพ่อทำไมท่านทําอย่างนี้ถามพระเถระทั้งหลายท่านจะมีคำอธิบายของท่านบางทีเราไม่ค่อยเข้าใจอธิบายนะอย่าว่าอย่าว่าแต่เราเปลี่ยนนะถ้าพูดกันในต่างประเทศเนี่ยพระไทยนี่เปลี่ยนน้อยที่สุดนี่พระลังกาในสายเหล่าเนี่ยเปลี่ยนมากทําไมเปลี่ยนมาก เปลี่ยนมากเพื่อเผยแพร่ศาสนาอันนี้ต้องให้เข้าใจนิดหนึงการเผยแพร่ศาสนานี่ในต่างประเทศเนี่ยถ้าจะให้คนเข้าศาสนาเนี่ยบางเรื่องบางอย่างนี่นะจะท่านจะต้องเปลี่ยนขอให้ยกตัวอย่างอย่า ง, างท่านสุเมโต ท, ท่านเคยสังเกตไหมว่าเออพระที่อมราวดีเนี่ขมผู้พระเออคือคือผู้หญิงเนี่ยนะเวลาบวชเนี่ยขมสีเหลืองเห่นไหมสีเหลือง ก็คือแม่ชีเนี่ยในโฮมจีวรเคยดูภาพไหมพระลังการนี่ยว่าขนาดนั้ น, นบวชภิกษุณีได้ซ้ำใหม่อธมาถามว่าแล้วแล้วท่านเอาสิกขาบทอะไรบัญญัติมาจากไหนนีบอกไม่เป็นไรที่นี่ลังกาไม่ทําทําพระลังการเฉพาะในอเมริกาเท่า น, นั้นนะแล้วใครยอมรับบอกพระพระลังกานในอเมริกายอมรับาาถามว่าทําไมจึงทําบอกว่าท่าน วัดมันอยู่ได้ยังไงเนี่ยปกติวัดในประเทศท่านเนี่ยใครเข้าวัดมากผู้หญิงกับผู้ชายใครไปสายบาทผู้หญิงนี่อเมริกาก็เหมือนกันแต่ผู้หญิงอเมริกานี่ไปมหายหารหมดเพราะผู้หญิงในอเมริกานี่ ช, ชอบอะไรอีควอไลตี้เท่ากันนี่อะไรเองต่างทําไมพระผู้ชายบวชได้ทําไมผู้หญิงบวชไม่ได้ไปไปแล้ววัดนี้ไปอีกวัดหนึ่งนะปรากฏว่าไหนที่สุด น, นี่ มหายาเนี่ยพุ่งเเป็นกําลังสําคัญที่เบสที่รุ่งเรืองเนี่ยเจ้าว่าเป็นผู้หญิงหลายคนเผยแพร่กันต่างร่งกายอกเ้ยอย่างนี้ดีไหมเกันแต่ว่าบวชพี่เป็นจีนเน่ยแต่ให้ผมอฝรั่งก็พอใจนะแล้วก็มาช่วยเป็นกําลังสําคัญเผยแผ่ศาสนาท่านบอกว่าเพี้ยนเหรอ <c oughs> บางครั้งาอย่างนี่อาตมาคิดว่าบางทีเนี่ยถ้าเราจะอธิบายเองเนี่ยคงลาบากนะถ้าเพียงแต่ว่าบอกว่า ในบางเรื่องเนี่ยยกเว้นแต่อธิบายคนไทยเนี่ยอธิบายคนไทยอธิบายในลักษณะอย่างนี้บางเรื่องบางอย่างต้องเข้าใจบ้างแม้กระทั่งพระลังกาพระอะไรต่างเนี่ยเพื่อเผยแพร่ศาสนาเนพาื่ออะไรต่างๆแต่เราดูแก่นว่าแล้วเผยแพร่ศาสนาได้ผลไหมแก่นคือศีลสมาธิปัญญาศีลเพื่ออะไรศีลเพื่อให้เกิดความสงบนั่งสมาธิได้สมาธิเพื่อปัญญาปัญญาเพื่อหลุดพน้นตราบเท่ามีศีลสมาธิปัญญา เกื้อหนุนหลุดพ้นทุกข์อันนี้คือธือแก่นของศาสนาเอ่อมีคำถามอื่นไหมถ้าไม่งั้นตระมาณจะตอบที่เขียนมาต้องอขอตอบสั้นๆนะเพราะว่ า, าคำถ า, ถามที่มาก่อนคือเรื่องธรรมกายเออไม่ใช่เกี่ยวกับกระถินสี่ร้อยล้านานี่ <c oughs> <c oughs> ธรรมกายสัมโพคากายและนิรามานากาย อธิบายด้วยแลวขอเรียนถามว่าธรรมกายวัดปักน้ำมีที่มาอย่างไรธรรมกายสัมโูข ก, กายและนิมมารกายนั้นเป็นคำสอนหรือคอนเซปต์ของมหายาณ น, นะฮะเป็นของมหายาณของเทรวาฒมีสองกายของมหายาณเป็นตรีกาย3รีบอดีสมกายสากายนี้คือกายของพระพุทธเจ้า าพูดพูดของมหาของของเทราวาสก่อนนะของเราก่อนออของเรานั้นคำว่านิรมานากายนั้นฟัจริงไม่มีหรอกไม่มีคำว่านิรมานโดยตรง น, นิรมาณหมายถึงเนรมิตหรือสร้างขึ้นมาก็คื อ, อ, อ create body หรือ project projected body ก็คือว่าสร้างเป็นภาพขึ้นมาเนรมิตขึ้นมา พุทธเจ้านั้นมีสองกายในศาสนาเหล่าเนี้นะอะท่านขอให้นึกถึงเรืนี้โยธรรมังปสติโสมังปสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราเห็นเราในที่ในความหมายแรกก็คือเห็นตัวพุทธเจ้าตัวพุทธเจ้าคือนิรมาณากายคือตัวมนุษย์เนื้อเนื้อเนี่ยแต่ทําไมเรียกว่านิรมาณากายนี่เป็นคําของมหายิยานเดี๋ยวจะพูดที่หลังเอาว่าเจ้าชายสิทธถะคือนิรมาณากาย สอนคําสอนเรียกว่าธรรมะเรียกว่าดัมมะบอดี้ก็คือธรรมกายธรรมะที่พระเจ้าตรัสรู้ทั้งหมดถ้าใครไปตรัสรู้เรียกว่าพบพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนอย่างไงก็ปฏิบัติธรรมแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นคือเข้าสู่ความเป็นภา ร, ริยะความภิริยะนั้นคือธรรมกายผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชจะเห็นเราผู้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันต์คือเห็นพบพระพุทธเจ้า บางคนเห็นตัวพระเจ้ายังไม่รู้เป็นพุระเจ้าไดยซ้ำถ้าไม่ได้ฟังธรรมของท่านพอฟังธรรมของท่านซึ่งโอ้โหนี่องค์นี้ไม่ต้องบอกเลยพระเจ้าแน่ๆเห็นไหมแสดงว่าธรรมนั้นก็คือคุณลิที่แก่นสารสาระแห่งความพุทธะกายเนื้อเป็นนิรมาณกายธรรมที่พระเจ้าตรัสรู้เป็นธรรมกายไฟวัดวัดปากนะไอไฟคลองหลวงเข้ามาแปลใหมาว่าโยธรรมมังปสติโสมมังปสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นช่วยเห็นเหล่านั้นแปลว่า ผู้ใดเห็นธรรมกายผู้นั้นช่วเห็นเราไม่รู้กายมาจากไหนเพิ่มเข้าไปนะฮะทีนี้ธรรมกายในความหมายใหม่อันนี้ของเรานะฮะธรรมกายในความหมายที่สอนอยู่ในเมืองไทยบางสำนักก็ตาอัตมาจะไม่เอ่ยคือธรรมกายมหายานธรรมกายมหาหยานนั้นสอนอย่างนี้อัตมาพูดโดยสรุปคือเรื่องของพระโพธิสัตว์เรื่องของพระพุทธเจ้า เขาถือว่าโลกนี้นั้นมีกําเนิดมาจากอาทิพุทธต้นธาตุต้นธรรมคือพระพุทธเจ้าองค์แรก เ, เหมือนกับพระพรหมพระพุทธเจ้าองค์นี้อยู่ในสวรรค์เรียกว่าพุทธเกษตรครอบครองยิ่งใหญ่ทั้งหมดพระพุทธเจ้าที่อยู่ในพุทธเกษตรนั้นนะอย่างเช่นอมิตาภะนะอมิตาภะนั้นอยู่ในพุทธเกษตรเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกับอยู่ในสวรรค์ แล้ววันหนึ่งอยากจะโปรดมนุษย์เสียโลกก็เนรมิตกายของตนมาอาวตาร ล, ลงมาเป็นเจ้าชายศิท ธ, ธาจักเจ้าชายศิทธาจักมาเกิดเป็นมนุษย์โดยแก่นแล้วคือพระพุทธเจ้ามาแสดงทำท่าเป็นออกบวชมาตรัสรู้เพื่อสาธิตเท่านั้นที่จริงนะ่ะเป็นพระเจ้ามาตั้งแต่สวรรค์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้คือนิรมานากายเหมือนกับนารายอาวตารเอาแบบของสามเข้ามาเอ่อ พระวิษณุอยู่ข้างบนนะพระวิษณุอยู่ข้างบนเหมือนกับพระพุทธเจ้าปัจจุในพุทธเกษตรเอวตาลมาเป็นเจ้าชายเสด็จเจ้าชายเสด็จมีหน้าที่โปรดสัตว์ช่วยให้คนพ้นทุกข์เหมือนพระรามนะเสร็จแล้วพระรามนี้กลับไปไหนดับชีพนี้กลับเข้าไปสู่โนนรวมเป็นหนึ่งในพุทธเกษตรพุทธเกษตรเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าปัจจุบันนี้ยังมองเราอยู่ถามว่าแล้ว มันจะมีเนื้อหาสาระที่แพ่ขยายคือครามเป็นพระเจ้าในแพ่ขยายอยู่ในทั่วโลกในปัจจุบันนี้และสามารถจะค้นพบได้ตัวนั้นเหมือนกับโฮลี่สปิริตในศาสนาคริสต์เหมือนกับความเป็นปรมาตามันของศาสนาพราหมณ์อันนั้นคือธรรมกายเพราะฉะนั้นธรรมกายก็คืออะไรพระพุทธเจ้านั่นเองที่เป็นรูปลามธรรมา แสดงออกเป็นเทวดาอยู่ข้างบนเป็นสัมโพขกายกายที่รุ่งเรืองสำหรับเทวดามีรัศมีมาดูด้วยกันแล้วก็มีธรรมกายคือเนื้อหาสาระความเป็นพุทธะแผ่กระจายไปทั่วจักรวาลมีสัมโพขะกายรัศมีมที่รุ่งเรืองเป็นอยู่ในสวรรค์แล้วเนรมิตเป็นเจ้าชายเทสะเป็นนิรมาน ก, กายมาจากมหายานประเทศเราหลายๆสำนักสอนเหมือนกับมหายาน มาไม่บอกว่าที่ไหนเอ่อมีจะให้ดูเอาไม่ต้องแล้วเวลาจะหมดแล้วเอาเอาเป็นว่าอีกข้อเดียวข้อสุดท้ายนะฮนะความแตกต่างระหว่างกรรมเก่าถือไหมใชมใชใช้ในคําสอนในพุทธศาสนากับปรีดิเทอร์มินิซึมกรรมเก่ากับกรรมใหม่นี่นะเวลาที่เราบอกว่าโอ้ยแรกๆเป็นกรรมรถมันชนนี่เหมือนกับกรรมทํานาฝนไม่ตกน้าท่วมเพชรบุรีกับกรรมมัน อ, อย่างนั้นไง คำ่ารรมอันนี้เหมือนปีเดอร์มินิซึมหรือไม่มีคาสอนพระเจ้าอย่างนี้ใครก็ตามที่เชื่อว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันเป็นผลแห่งกรรมเก่าคนนั้นเชื่อถูกอะไรก็ตามที่ท่านเป็นอยู่ในบัญจบัเป็นผลแห่งกรรมเก่าท่านเชื่อถูกแต่ใครก็ตามที่เชื่อว่าสิ่งที่ท่านทำมาในอดีตทุกอย่างท่านจะต้องรับผลในอนาคตเชื่อผิด บางทีนี่ที่ท่านเป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นผลแห่งกรรมเก่าถูกหรือไม่กรรมคือการกระทําท่านเรียนหนังสือมาที่ท่านมานั่งมีประสบการณ์ในทุวันนี้เนี่ยเป็นการกระทํากรรมคืออะไรกายกรรมการกระทําทางกายวจีกรรมท่านพูดมามโนกรรมท่านคิดท่านเรียนหนังสือท่านศึกษาท่านแรงต่างมาเป็นปุคลิกภาพของท่านเก็บไว้ในผวังขจิตเป็น sub consciousness เป็นผวังขจิตแสดงออกทางวิถีจิตที่ท่านมองที่ท่านเห็น เพราะฉะนั้นกรรมทุกอย่างไม่ใช่มีใครมาเก็บมาเกาะไว้คือจิตของท่านบันทึกไว้แล้วออกเป็นบุคลิกภาพของท่านทุกสิ่งทุกอย่างในบุคลิกภาพของท่านการศึกษาประสบการณ์ความรู้แบื้อาว้นทั้งหมดคือผลจากอดีตใช่หรือไม่อันนี้ใช่ 100% แต่สิ่งที่ท่านทําอยู่ในอดีตเนี่ยท่านรับทุกอย่างหรือเปล่าไม่ใช่ความรู้ที่ท่านเรียนทุกอย่างท่านใช้ทุกอย่างไหมไม่ใช่เลือกบางอย่างเท่านั้นยังจําอยู่ได้บางอย่างหายไปฌานสมาบัต ท่านขึ้นเป็นพรหมโลกได้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่ากรรมนั้นหมดนะชาติหน้ามันตามไม่ทันแต่ชาติต่อไปมันตามทันแต่ว่ามันลดพลังเพราะทําดีมันล้างกรรมได้เพราะฉะนั้นกรรมไม่ใช่ปีเตอร์มิ i ิซึมท่านสามารถทําเจตนาคือกรรมคือเจตนาในปัจจุบันเนี่ยเจตนาดีท่านทําความดีลบล้างกรรมได้เพราะฉะนั้นที่ว่าทําบุญต่ออายุอะไรทั้งหลังเนี่ยสมมุติท่านท่านจะสิ้นอายุเพราะกรรมหมด แต่เรามาทําเอาเปลี่ยนกรรมเปลี่ยนวิสีชีวิตเปลี่ยนกระแสอุบัติเหตุที่ท่านจะเจอมันควรจะแรงกว่านี้แต่ท่านทํากรรมล้างกรรมเ ก, ก่าได้นิดนึงอะไรอย่างนี้มันจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่กําหนดร้อยเปเซ็นไม่มีทางหลีกเลี่ยงพุทธศาสนาให้โอกาสแก่เจตนาเจตนาอังพิฆ เ, เวกรรมว่าถามพี่สุนไลเรากล่ า, กาวเจตนาว่าคือกรรมท่านจงใจแล้วท่านจึงคิดจึงพูดจึงทําเพราะฉะนั้นจงใจให้ดีๆแล้วท่านก็จะทําดี เปลี่ยนกระแสของกำได้ทั้งหมดนี้คงจะตอบปัญหาได้ในเวลาเพียงเท่านี้คงอขอนุอติแต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ขอตัางคุณพระศรีรัตนตรัยและคุ